อขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะหัวข้อที่จะบรรยายนะทางผู้จัดก็ตั้งว่าเผชิญความเจ็บไข้ด้วยใจปล่อยวางหลายคนอาจจะมีคำถามขึ้นมาว่าปล่อยวางอะไรนะเวลาพูดว่าปล่อยวางปล่อยวางต้องถามว่าปล่อยวางอะไรนะ นี่ปกติเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเจ็บไข้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าถูกรบกวนด้วยทุกขเวทนาคือความเจ็บปวดอันนี้คือความรู้สึกคนส่วนใหญ่เลยนะเวลาเจ็บป่วยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่รบกวนเขาเนี่ยที่สําคัญเนี่ยก็คือทุกขเวทนาความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงพยายามที่จะบงบัด ความเจ็บปวดด้วยยายาหลายชนิดก็สามารถจะประปัรบทุกคนเวทนาได้แต่ว่าบางครั้งยาก็เอาไม่อยู่เราก็ต้องยอมรับว่ามีโรคหลายชนิดนะที่ยายังได้ผลชั่วคราวหรือบางทีไม่ได้ผลเลยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ผู้คนนึกถึงเนี่ยเวลาพูดถึงก า, การปล่อยวาง ก็คือปล่อยวางความเจ็บปวดใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเวลาเจ็บไข้เนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ได้แค่ปวดกายแต่ปวดใจด้วยความปวดกายเนี่ยยังมียาเยียวยารักษาบรรเทาได้แต่ความปวดใจเนี่ยนั้นยาที่เราซื้อกันตามท้องตลาดหรือที่หมอแนะนํานี่ มันไม่มียาตัวใดที่จะบรรเทาความปวดใจได้ยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะหลายคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ได้มีความปวดกายด้วยซ้า แต่ร่างกายย่ำแย่ตินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีชีวชีวาอาการเจ็บปวดยังไม่ปรากฏรู้แต่ว่าไม่สบายเช่นพบว่าเป็นมะเร็งระยะที่หนึ่งระยะที่สองความเจ็บปวดทางกายเนี่ยมันยังไม่ปรากฏเลยมันมีแต่ผลเลือดสาเลผลตรวจเลืดยืนยันผลปวดชิ้นเนื้อยืนยัน แต่ไม่มีความเจ็บปวดทางกายแต่หลายคนเนี่ยก็กินไม่ได้นอนไม่หลับถามว่าเพราะอะไรเพราะเขาปว่วยใจนะปว่วยใจเนี่ยหมายถึงความพิตกกังวลความรัวเกิดขึ้นแล้วก็ตีโพยตีพายอดครวนรวมไปถึงความโกรธ ความคับแย่งใจอาการแต่ละอาการเนี่ยนะโดยละแต่สามารถจะซ้ำเติมความเจ็บปวดทางกายที่มีอยู่แล้วให้หนักขึ้นบางคนเนี่ยไม่มีความผิดปกติทางกายได้วยซ้ ไม่มีความหรือไม่สามารถพบความปิดปกติทาการยื่อซ้ำแต่ว่าป่วยในประเทศอังกฤษเนี่ยเขาพบ ว, ว่าประมาณหนึ่งในสามหรือสามสิบปเปอร์เซ็นต์ของคนที่ไปหาหมอไปหาหมอที่เป็นหมอประจำบ้านนะไม่ใช่หมอเฉพาะทางหนึ่งในสามเนี่ย ป่วยนะแต่ไม่พบความผิดปกติทางกายหาสาเหตุไม่พบอาการอย่างที่ว่าที่มีความป่วยเช่นเจ็บปวดปวดหัวปวดท้องมางทีตาบอดมองไม่เห็น บงทีถึงกับพิการนะหรือว่าคลื่อนขยับไม่ได้แต่ตัวทางการทางกายไม่พบว่ามีความผิดปกติถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรความป่วยใจนะถึงหนึ่งในสามนะในขอะเพล็กฤ์เนี่ยในเมืองไทยไม่มีการทำสถิติเพราะนั้นเนี่ย ความป่วยใจเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะมันสามารถจะทำให้ความทุกข์ของคนเราเนี่ยหนักขึ้นสามารถจะซ้ําเติมความเจ็บป่วยทางกายให้รุนแรงขึ้นและแม้จะไม่มีความผิดปกติทางกายเลยก็สามารถทําให้กลายเป็นคนป่วยได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยวางอย่างแรกที่ควรทำเนี่ยที่ควรใส่ใจเนี่ย ไม่ใช่ปล่อยวางที่เคทนานครับปล่อยวางอารมณ์ที่มันให้ป่วยใจคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยนะจะไม่ได้ป่วยแต่กายจะป่วยใจด้วยแม้จะไม่มีความเจ็บปวดทางกายเลยแต่ก็ป่วยใจ กันแทนทั้งนั้นวันนี้ไอ้ความป่วยใจที่เกิดจากความโกรธความกลัวความวิตกกังวลความคับแย้งใจมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความคิดปรุกแต่งเช่นไปคิดถึงไปสร้างภาพประคตที่เลวร้าย แล้วก็พอไปสร้างขั้นเราเนี้ยก็เกิดความวิตกกังวลเช่นไปวาดภาพตัวเองในยามที่เป็นผู้ป่วยรยะสุดท้ายนอนติดเตียงอยู่ห้องไอซูมีสายรีอยอโรงพยาบหรือบางคนก็คิดไปถึงเรื่องความตายนะแล้วพอคิดแบบนี้เข้าเนี่ยป่วยเลยนะนับ วิตกกตังวลกลัวติดไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีชีวิตชีวาบางคนก็คิดถึงลูกห่วงพ่อแม่ว่าถ้าตัวเองป่วยนักแบบนี้จะเป็นภาระ ก, กับเขาหรือถ้าเกิดเราตายลูกจะอยู่อย่างไรใครจะดูแลพ่อแม่อนาคเพราะทั้งนั้นยังไม่เกิดขึ้นแต่พอคิดไปแล้วเนี่ย ก็ล้มหมอนนอนเสือเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับทั้งที่ไอ้โรคที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ได้ทําให้ร่างกายเนี่ยวันกปกติหรือว่ามันทุกข์าลภาพขนาดนั้นบางคงก็คิดถึงงานคิดถึงบริษัทนะคิดถึงสิ่งที่ได้สร้างเอาไวา้แล้วยังทำให้สำเร็จยังไม่เสร็จสิน้น อันนี้ก็ทำให้เกิอดอาการตีโพยตีพายโหดครวญบางคนคิดถึงบาปกรรมในดีตผ่านไปแล้ว10ปี20ปี30ปีก็เกิดาการทุรนทุรายขึ้นรู้สึกว่าที่เกิดขึ้นกับตัวเนี่ยมันเพราะบาปกรรมที่ทำ ไ, กกไว้เจ้ากรรมนายเวรมาเล่นงานมันก็ทำให้ จิตใจย่ำแย่แล้วก็ถุงให้กายเนี่ยย่ำแย่ลงไปด้วยในเมื่อความคิดปรุงแต่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เกิดอารมณ์ที่เศร้าหมองเป็นกุศลแล้วทําให้เกิดความป่วยใจอย่างที่ตมาบอกว่าบอกไว้แล้วว่าอย่างแรกที่เราควรจะรู้จักปล่อยวางก็คือปล่อยวางอารมณ์เหล่านี้ แล้วจะป่วางอารมณ์เหล่านี้ได้ต้องรู้ทันความคิดที่ปรุงแต่งที่มันมักจะเผลอไหลไปอดีตลอยไปอนาคตอะไรที่ทําให้เราเนี่ยสามารถจะรู้ทันความคิดปรุงแต่งเหล่านี้และสามารถที่จะวางอารมณ์ที่เป็นอกุศลได้สิ่งแรกที่เราควรจะนึกถึงก็คือสติ การปล่อยวางด้วยสติเนี่ยนะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้จิตใจเราเนี่ยโปร่งเบาคลายจากความเจ็บปวยสติเนี่ยในที่นี้เนี่ยหมายถึงการรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้น สติจริงสติในความหมายทั่ ว, วไปแปลว่าความระลึกได้อย่างเช่นโยมเนี่ยนะพอออกจากห้องประชุมเนี่ยจํำได้ว่าจอดรถไปที่ไหนไอ้คาสิ่งที่ทําให้จํำได้ว่าจอดรถที่ไหนหรือว่าสตาร์ทรถแล้วเนี่ยนะรู้ว่าจะขับไปทางไหนถม น, นเส้นไหนเพื่อจะกลับบ้านอันนั้นคือสติ ความระลึกได้จําได้จําได้ว่ า, ากุญแจรถเนี่ ย, ยมันอยู่ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าสะพายข้างซ้ายข้างขวาของกระเป๋ากเกงอันนั้นคือสติที่เราใช้ทั่วไปแต่ว่าสติที่เรามักจะมีกันน้อยเนี่ยก็คือสติที่ทำช่วยให้เรารู้ทันความคิดและอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจ หลายคนไม่ตระหนักว่าโรคร้ายเนี่ยนะมันไม่ร้ายเท่ากับความคิดปรุงแต่งมัมไมนร้ลาเท่ากับไออารมณ์ที่มันก่อกลุ่มจิตใจจริงๆเดี๋ยวว่าแต่ความทุกข์ข้อโรคเลยนะความทุกข์ในชีวิตประจอวันของเราเนี่ย ถ้าเกิดทุกข์ใจเมื่อไหร่เนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วมันไม่ใช่เพราะสิ่งภายนอกหรอกแต่เป็นเพราะใจของเราที่วางไว้ไม่ถูกเช่นเราขับรถแล้วเกิดรถติดหลายคนหมึกหงิ่นขณะที่รถเนี่ยก็เย็ยนสบายแต่ที่เราหมุกหิดนเพราะใจเราไปนึกถึงจุดหมายปลายทางข้างหน้า แล้วก็เกิดปริวิย์ตกว่าจะไปไม่ถึงไปช้าประทุมสายส่งรูปไม่ทันทั้งหมดนี้ไม่เกิดขึ้นเลยนะแต่ทุกไปละแล้วเราก็โทษไฟแดงเราก็โทษรถที่มันนั่นขนาดเต็มถนนไฟแดงไม่ทาให้ตกิดราตกนะแต่ที่ตกิดราตกก็ใจที่ไปที่ถึงอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึง และคิดแบบไม่รู้ตัวแต่พอมีสติปุ๊บเนี่ยนะรู้ทันความคิดเนี่ยมันวางนี่ขนาดชีวิตปกตินะมันยังไอความคิดปรุงแต่งมันยังเล่นงานเราขนาดนี้จนเครียดแลบประสาทเลยกับเวลาเราเจ็บป่วยด้วยโรคซึ่งถูกพิพากษาว่าตายแนนะ่ความคิดปรุงแต่งก็ยิ่ง เล่นงานเราก็ไปใหญ่ถ้าเราไม่รู้ทันไอตัวนี้เนี่ยมันน่ากลัวกว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับกายคุณมากระเรศ ร, รีเคยเล่าฟังว่ามีนักธุรธกิจคนหนึ่งอายุวันสี่สินะวัยกลางคนเล่นชนิสเป็นประจำวันันไปตรวจสุขภาพประจำปี ตวรจวจเซ็นบอกเาบอกว่าคุณหัวใจรั่วก็ตกใจมากเลยเพราะภาพที่แกเข้าใจคือว่าหัวใจมันเป็นรูแล้วมันก็เวลาเต้นเนี่ยมันก็มีเลือดพุ่งกระฉูดออกมาแบบนี้ก็ตายสิสองวันเท่านั้นนะแกเข้าโรงพยาบาลเลยที่จริงหมอตั้งใจจะบอกแก ว, ว่าลิ้นหัวใจแกรั่วแต่หมอพูดไม่ครบนะพูดทั้ ง, ง้วนและลิ้หัวใจรั่วเนี่ย มันใช้ชีวิตตามปกติได้เล่นกีฬาก็ยังเล่นได้แต่เนื่องจากสื่อไม่ไม่ครบแล้วคนฟังก็ปรุงแต่งไปสองวันข้างหน้าเขาลงมรงพาบาลนะฮะไม่นานนั้นก็เข้าห้องไอซียูแล้วก็ไม่ออกไปเลยไม่ได้ตายเพราะลิ้งหัวใจรั่วนะฮะตายเพราะไอความที่ปรุงแต่ง มีโยนคนหนึ่งนะเป็นคนที่จสโสทอนเป็นป้าเข้าเข้าออกโรงพยาบาลอยู่หลายครั้งไม่รว้เป็นโรคอะไรจนรทั่งวันหมอก็พูดกับมันป้าป้าเป็นมะเร็งตับนะอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนผมพูดตรงมากเลยนะปกติหมอไม่จะเป็นต้องพูดตรงขนาดนั้นก็ได้นะหรือค่อยๆค่อยๆ่อหยอดค่อยๆหยอนะ พูดหมดแม็กเลยคนไข้ทำใจไม่ได้กลับไปบ้านนอนไม่หลับรูมหมวกุ่มจันที่ตัวกังวลกินหมดอะไรตายอยา ก, กับชีวิตสิบสองวันเท่านั้นนะฮะตายแต่ว่าที่ตายเนี่ยเป็นเพราะมะเร็งมันลุกรามเร็วภายในเวลาสิบสองวันหรือเปล่ามะเร็งมันยังยุกลรามไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ตายเพราะใจนี่เพราะป่วยใจแล้วที่ป่วยใจเพราะ ความคิดมันปรุงแต่งสารพัดจึงอยากจะย้ําว่าจริงโรคเนี่ยนะมันไม่ไม่น่ากลัวเท่ากับไอ้ความคิดปรุงแต่งข้างในใจและที่ความคิดปรุงแต่งมันเข้ามาเล่นงานจิตใจได้เพราะไม่มีสตินะังั้นอย่างแรกที่จะต้องทําก็คือที่จะต้องปล่อยวางคือปล่อยวางไอง้ความคิดและอารมณ์เหล่านี้ซึ่งทําได้ด้วยการที่มีสติรู้ทัน ความคิดแบบนี้มันไม่ไม่มันต้องไปหยุดไปห้ามมันบางคนไม่เข้าใจไปใช้วิธีหยุดไปใช้วิธีเบรกไปใช้วิธีห้ามมันไม่ได้ผลนะฮะเพอยิง่งหยุดยิ่งเบรกยิ่ย ง, ยงห้ามมันก็ยิง่งปลุงมันก็มีกฎทางฟิสิกส์ว่าเนี่ยนะยิง่งเรีแอคชัทกับ reaction ยิง่งกดมันเทา่าไหร่มันก็มีมีแรงต้านมาเท่านั้นดังนั้นความคิดมันกดไม่ได้แต่จุดอ่อนของมันก็คือว่า ถ้ารู้ทันมันเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะสลายตัวไปทั้งนี้เพราะว่าทุกครั้งที่เราเผลอคิดเนี่ยนะอันทุักทุกครังทุกครั้งที่มันมีความคิดเหลานี้เกิดขึ้นเพราะเราเผลอเพราะเราไม่รู้ตัวแต่ทันทีที่เรารู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยความคิดมันก็หายไปเพราะว่าไอความเผลอมันมันหมดไปแล้วเรารู้ตัวรู้ตัวเพรามีสติ สติมันทําหน้าที่สองอย่างคือมันทําให้รู้ทานความคิดแล้วมันทําให้กลับมารู้ตัวสติช่วยทําให้จินเรากลักบมาอยู่กับปัจจุบันแทนที่จะนั่งเศร้าซึม ถ, ถึงอนาคตเที่ยงไม่ถึงและสร้างภาพเป็นทางที่เลวร้ายเรากลักบมาอยู่กับปัจจุบันใช้ชีวิตตามปกติฐานทางคิดฐานทางป้องกันว่าจะเยียวยารักษาโรคอย่างไร เรายังสามารถที่มีความสุขในปัจจุบันได้แต่คนส่วนใหญ่มองข้ามและทิ้งความสุขในปัจจุบันเพราะไปจมอยู่กับความที่ปงแต่งเกี่ยวกับอนาคตซึ่งอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้หลายคนเนี่ยนะไปตรวจสุขภาพใช่ไหมฮะหมอให้มาฟังผลหลังจากที่เอาเนื้อเยื่อไปสามวันมาฟังผล หลายคนเนี่ยสามวันนั้นเนี่ยนะเหมือนก็ตกมาลงกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าฉันเป็นมะเร็งหรือเปล่าพอคู่ว้านคูอเมียปกตินะโอ้ใจโล่งแต่สามวันก่อนหน้า น, นั้นเนี่ยนะมันถูกเผาผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์มันก็ตกมาลงเพราะอะไรเพราะความที่พรงแต่งทงั้งมีความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้น เราจะปล่อยให้เวลาสมวันนี้มันสูญเป่าไปกายความเศร้าวความโศกความวิตกกังวลไปทําไมในเมื่อทุกวันนี้เราก็มีเวลาน้อยอยู่แล้วในโลกนี้เวลาเราลดน้อยต่อลงไปเรื่อยๆไม่ว่าเป็นคนปกติหรือคนป่วยทําไมเราถึงจะใช้เวลาที่มีเลือดน้อยอยู่เนี่ยและมีุ่้ม่าเนี่ยหมดไปกับความวิตกกังวลความเศร้าโศกในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ทำไมเราไม่อยู่กับปัจจุบันนั้นใช้ชีวิตมีความสุขและทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราต่อผืนให้การกลับอยู่ปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญและสติมันช่วยได้อยากจะย้ำว่าโรคี่นะมันไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวที่มีต่อโรคนะั้น ความกลัวเป็นตัวที่ซ้ำเติมเราถ้าเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นมันซ้ำเติมเราทำให้ทุกข์มากขึ้น เ, เคยมีการค้นพบว่าคนที่กลัวเข็มฉีดยาเนี่ยถ้าเกิดโดนเข็มจริงจะเจ็บเป็นสามเท่าคนที่ไม่กลัวอันนี้เขาก็มีวิธีการการวัดนะฮะมันแปลว่ามันแปลว่าความกลัวเนี่ยมันทาให้ความปวดเพิ่มขึ้นเนี่ย สองส่วนจากเ่ิงที่ปวดกายอยู่แล้วหนึ่งส่วนมันเพิ่มเป็นสองรวมเป็นสามผู้อย่างนี้คือว่าความกลัวมันทำให้ทุกคูณสามและไม่ใช่แคนะ่ความกลัวเท่านั้นนะความโกรธนะความยุตกธรรมความขับแค้นก็เหมือนกันทำให้ทุกเนี่ยมันคูณสาม พุทธเจ้จับว่าติดที่ตั้งไว้ดีนะย่อมทําประโยชน์ให้กับเราชนิดที่พ่อแม่ก็ทําให้ไม่ได้ในทางตรงข้ามติดที่ตั้งไว้ผิดย่อมทําให้เราประสบความเวลวร้ายที่มันยิ่งกว่าความพินาศที่โจรกับโจรกระทํากันหรือคนที่อาฆาตจองเวรทําต่อกัน โจรกับโจรเนี่มันทําร้ายเราเนี่ยนะมันก็ไม่เสียหายเท่ากับจิตที่ตั้งไว้ขีดแต่ที่จิตเราตั้งขีดก็เพระเราไม่มีสติแต่ก็ไม่สายเกินไปที่เราจะมีสติรู้ทั น, นสติมันทําให้เราเห็นว่ามีอารมณ์มีความผิดใดเกิดขึ้นแค่รู้โดยที่ไม่ผักใสแต่เพียงแค่รู้แล้วเนี่ย มันก็ละลายหายไปเหมือนกับความมืดเนี่ยเพียงแค่เจอแสงสวา่างมันก็ดับไปนะเหมือนกับน้ําเสียที่เราเพียงแต่ปล่อยน้ําดีเข้าไปเราก็ต้องไปขุดเราไมต้องดูดน้ําเสียไปเราเพียงแตปล่อยน้ําดีเข้าไปน้ําดีก็จะไล่น้ําเสียไปเองหลายคนเนี่ยพยายามที่จะสูบน้ําเสียไปนะเหนื่อย ปล่อยน้าดีเข้าไปดีกว่าสติทาหน้าที่อย่างนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยการปล่อยวางด้วยสติเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เราปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นอกุศลได้ยังมีวิธีอื่นอีกที่จะช่วยปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นอกุศลเช่นสมาธิสมาธิที่เราทำเมื่อครู่นี้เนะี่ยก็ช่วยทำให้เราปล่อยวาง อาที่เป็นอุศลได้เพราะว่าเมื่อจิตเรามาอยู่กับลมหายใจก็ดีนะเมื่อจิตเรามาอยู่กับท้องค้องยุ ก, ก็ดีหรืออยู่กับกายที่กาลังเคลื่อนไหวก็ดีนะหรือแม้แต่อยู่กับสิ่งภายนอกเช่นเสียงสดมนหรือว่าเสียงหยดน้าเสียงน้ำไหลมันก็ทำให้จิตเนี่ยปล่อยวาง ความคิดและอารมณ์ที่เป็นตกนตุสนโดยอัตโนมัตินะเพราะว่าจิตของคนเราเนี่ยมันรับได้อารมณ์เดียวถ้าจิตมาอยู่กับลมหายใจจิตมาอยู่กับเสียงน้ําที่กำลังไหลมันหยุดคิดเรื่อง อ, ง อ, อื่นแล้วพอหยุดคิดแล้วเนี่ยอารมณ์ที่เป็นลบมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะอารมณ์ส่วนใหญ่มันเกิดจากความคิดนะฮะโดยเพราะคนเจ็บคนป่วยเนี่ยอารมณ์ส่วนใหญ่เกิดจากความคิด เพราะเนี่ยเราพยายามฝึกนะให้มีสติและสติม่นทำให้เราเห็นภาวะที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันเป็นเราที่คิดอาจารย์ประสงค์ปริคุณโนเคยเล่าว่าเคยพบเด็กคนหนึ่งท่านคงจะไปแสดงธรรมที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะพอแสดงธรรมจบก็ระหว่างที่รอ รอรถก็พบเด็กอายุแปดขวบเป็นผู้หญิงคุยไปค้ยมาก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้ฉลาดพูดจาฉาดฉาญก็เลยบอกว่าหนูเป็นเด็กปีเด็กฉลาดผมพ่อจะให้รางวัลหนูแล้วท่านก็หยิบรูปคำขึ้นมาเด็กพอเห็นเด็กก็ร้องโอโฮพระจาาประสงค์ไปถามว่าหนูร้องโอโฮเนี่ยหนูเห็นอะไรเด็กตอบว่าไงเด็กบอกว่ า, วา หนูเห็นข้างในมันดีใจครับสังเกตนะเด็กไม่ได้ตอบว่าหนูดีใจนะเด็กตอบว่าหนอเห็นข้างในมันดีใจต่างกันนหฮะระหว่างดีใจกับหนูเห็นข้างในมันดีใจต่างกันเยอะเลยหนูดีใจคือหนูความดีใจคือตัวหนูแต่หนูเห็นข้างในมันดีใจ ค, คือว่าความดีใจกับตัวหนูมันคนละอัน แล้วท่านก็เลยถามต่อไปว่าแล้วดูทํายังไงกับมันหมายทําไงความดีใจนั้นเด็กตอบดีเด็กตอบว่าดูไม่ได้ทำอะไรกับมันค่ะดูก็แค่ดูมันเฉยๆตอนนี้ข้างในมันเบาลงแล้วความดีใจมันลดลงแล้วเห็นความแตกต่างสติเนี่ยมันทําให้เห็นข้างในมันดีใจเห็นข้างในมันโกรธเห็นข้างในมันกังวลเห็นข้างในมันวิตกกแต่ไม่ใช่เรากังวลไม่ใช่เราวิตก นะและสิ่งที่เด็กทำเนี่ยนะก็โปรงกับการใช้สติในการรับมือกอารมณ์ก็คือว่าดูมันเฉยๆหนูไม่ทำอะไรกำลับขันหือแค่ดูมันเฉยๆตอนนี้มันข้างน้นมันมันเบาลงแนละ้วแค่ดูเฉยๆเนี่ยนะให้ความวิตกความกลัวความเศร้าเนะี่ยตัวเค่งความที่จะเป็นตัวพุมแต่งอารมณ์เรล่านี้มันก็จะเบาลงนะ นี่คือสตินะตนนี้มันต่างสมาธิอย่างไรนะหลายคนก็จะสับว่าสติกับสมาธิมันต่างกันอย่างไรสติทำหน้าที่ช่วยให้เราเห็นรู้ทันความทิดและอารมณ์ม่มันเกิดขึ้นรู้โดยไม่เข้าไปยึดรู้แล้วก็ดูมาเฉยๆมันก็ลงดับลงส่วนสมาธิเนี่ยก็คือการหันจิตออกไปจดจ่อสิ่งอื่นแทน เพื่อที่มันจะได้ในคิดตานั้นนะสติทําให้เห็นความคิดและความคิดมันก็จะดับลงไปความรู้สึกมันก็จะอารมณ์มันก็ดับลงดับไปแต่สมาธิเนี่ยมันทําหน้าที่ทำให้ทำให้จิตไม่คิดในเรื่องนั้นที่เป็นอกุศลเพราะว่าจิตมันไปจดจ่อสนใจอย่างอื่นแทนเช่นลมหายใจเช่นเสียงสดมนเสียงเดือดน้ำไหล นี่เราสามารถใช้สติและสมาธิก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งในการที่จะปล่อยวางความคิดและอารมณ์ตกแต่งคอนนี้สมาธิเนี่ยมันก็ทําได้หลายวิธีนะนอกจากการตอรา่อรอหายใจการดูทั้งมองยุบการจมีใจจดจ่ออยู่กับเสียงน้ําไหลนะบางคนเป็นศิลปินชอบธรรมชาติใช้วิธีนี้ก็ได้ที่จริงเด็กทุกวันนี้ก็มีสมาธิอยู่ได้กับเกมออนไลน์ พวกเราหลายคนต้งมีสมาธิกับเวลาเล่นไลนล์นลใช่ไหมแต่ว่าสมาธิแบบนั้นเนี่ยมันทําให้ฟุ้งซ่านมากขึ้นก็ได้มันทําให้ลืมเรื่องงานมันทาให้ลืมเรื่องอื่นแต่มันมาตรดจออีกว่าเรื่องที่เราหลับลังชัดกันแต่สิ่งที่ชัดไอ้ทําให้เราฟุ้งซ่านก็ได้ดังั้นเราควรจะมีสมาธิกับสิ่งที่มันเป็นกุศลเป็นกลางกลเช่นลมหายใจหรือว่าสวดมนต์สวดมนต์เนีน่ยก็เป็นวิธีการทําสมาธิแบบนึ่งนะะ ให้กัจสมาชีมาแม่ เ, เราต้องนั่งหลับตามันทําได้หลายแบบขอเพียงให้ใจจดจอ่อจะจดจ่ออยู่กับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ได้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่นอกตัวก็ได้จดจ่ออยู่กับการทําบางอย่างที่มันเป็นกุศลก็ได้เช่นการสวดมนตนะ ปณิสมันมีตัวช่วยอื่นๆที่ทําให้ปล่อยวางความคิดและอารมณ์อคุิสนได้ตัวช่วยที่ว่าเนี่ยนอกจากสติสมาธิแล้วเนี่ ย, ยก็กวางเช่นการให้อภัยหลายคนเนี่ยนะเวลาป่วยแล้วเนี่ยมันมีความโกรธบางทีความโกรธนั่นเองเนี่ยคือที่มาของความเจ็บป่วยมีพีย บ, บางคนเนี่ยนะแกมีปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหาร น้ำหนักรถกินไม่ได้รนะบบคือท้องไส้จะเสียหมดเลยปั่นขวนมากแกไม่ทราบเป็นเพราะอะไรแต่กแกไม่รู้ตัวว่าที่แกเป็นอย่างนี้เพราะว่าหลังจากที่แกมารู้ว่ารู้ที่รุมน้องเนี่ยไปหลังนอนกับแฟนของแกแกโกรธโกรธทั้งสองคนเลย แต่เมื่อแกได้เรียนรู้ว่าความโกรธเนี่ยมันเขาขลานใจแกทันมาให้อภัยให้อภัยทั้งสองคนาอกกูว่าไอ้ทุกะเวทนาที่เกิดขึ้นกับร่างก า, หา ย, ยนะหายไปเลยนะครับหายไปเลยแต่ละคนจะมีอาการได้เหมือนกันบางคนมีปัญหาเรื่องเรื่องท้อง หายพร้อมคินไม่ได้บางคนเนี่ยปวดหัวปวดท้องความดันสูงหมอหาสาเหตุความผิดปกติทางกายไม่พบแต่พอให้เธอเล่าเึ่งชีวของเธอเธอเล่าว่าเธอเป็นเด็กกำพร้ามีพี่สาวสองคนดูแลเวลาพอพอเธอพูดถึงพี่วิงสองคนเนี่ย 3, 2, นเอาพี่สาวสองคนนี้เธอก็มีอาการหมอรู้นเลยแนะว่า ในความเจ็บป่วยเรื้อรังเธอเนี่ยที่เป็นมันเป็นมาเนี่ยหลายปีเนี่ยได้รักษาไม่หายเนี่ยเป็นเพราะอะไรหมอแนะนําให้เธอให้อภัยถ้าเธอไม่เชื่อหมอนะเธอก็ขายไปเลยเพราะข้ามมาเจอหมอหมอกวจะให้อะไรเธอนี่กับเรียองรองให้เธอให้อภัยหนึ่งปีต่อมาเธอก็เขียมามันมาบอกหมอว่าหายแล้วไอ้โรคที่เป็นเน่ยป่วยหัวปวดท้องความดันสูงเรื้อลัง เพาาราะทตามที่หมอแนะนาคือให้อภัยการให้อภัยนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยปล่อยวางอารมณ์ บ, บางอ ย, าวยว่างได้โดยเฉพาะอารมณ์โกรธซึ่งสามารถจะเป็นตัวทําให้เจ็บป่วยโดยที่ไม่มีอาการจิตวิทย์ทางกายหรือบางคนที่มีความจิตวิทยทางกายอยู่แล้วความโกรธก็จะทําให้ป่วยหนักขึ้นเจ็บหนักขึ้น การแผ่เมตตาการแผ่เมตตาก็เป็นวิธีที่ช่วยได้บางครั้งอย่างคนที่ป่วยเนี่ยเขาไม่ได้โกรธใครนะอันนี้เขาโกรธร่างกายโดยเพราะร่างกายส่วนที่มันเป็นเป็นโรคเช่เนเป็นมะเร็งปวดท้องโกดท้องที่มันเป็นมะเร็งโกรธซวงอกที่มันเป็นมะเร็งแล้วมันสร้างทุกพเทนาแล้วมันคิดวโกรธเชื้อโรค โกก้อนมะเร็งคนที่ยิ่งปวดมากเท่าไหร่เนี่ยนะมันนิ่งทุกข์แต่ถ้าเราลองแผ่เมตตาให้กับอาวียวาศูนที่เจ็บป่วยแผ่เมตตาให้กับก้อนมะเร็งความทุกข์ก็จะลดลงมีเพียงหนึ่งคือหนึ่งแก่เป็นมะเร็งนะแต่ว่าแกก็ใช้ยาแล้วทักปวดน้อยมาก แม้การักเนี่ยนะแต่พราะอาจจมัใช้ยาแล้วมันปวดน้อยมากเนี่ยความปวดก็เล่นงานจิตใจเธอเล่นงานร่างกายเธอแต่สิ่งที่เธอทำก็คือว่าแผ่เมตตาให้กับมันเธอพยายามคุยกับก้อนมะเร็งโดยพ่อเวลาที่จะหลับเนี่ยแล้วมีเวลาในความปวดเนี่ ย, เ, ยเธอก็พยายามที่จะรักษาใจให้ปกติและวิธีการสาจใจของเธอปกติ ไม่ให้มีความโกรธข้องอคือแผนเมตตาคุยกับมะเร็งดีดีคุยกับมะเร็ ง, รงว่ามะเร็งนี่มันก็ดึกแล้วนะได้เวลานอนแล้วเธอก็นอนฉันก็นอนนะไม่ใช่ให้นะเธอร้องเพลงก่อนมะเร็งเหมือนกับร้องเพลงก่อนลูกให้มะเร็งฟังแล้วเธอก็สามารถจะหลับได้ น, นี่เป็นวิธีการแผ่เมตตาที่มันช่วยทําให้ไอ้ความโกรธที่มันรบกวนจิตใจเนี่ยมันลดลงนอกจากความการปล่อยวางความโกรธแล้วเนี่ยนะปล่อยวางความรู้สึกผิดนี่ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะมีหมอคนหนึ่งเล่าว่าไปเยี่ยมผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็น มะเ็ปะงปอดระยะที่สี่สุดท้ายนะติดเชื่อเชืยอดีด้วยแล้วก็เชื้อนี้ก็เข้าไปในที่ปอดแล้วก็เข้าไปในกระแสเลือดเธอก็มีความเจ็บปวดมากหมอก็ไปเยี่ยมนะแล้วก็ได้ถามเธอว่าเป็นอย่างไรเธอบอกกลัวกลัวมาก ไอ้ความกลัวบา้คนเราคนเรากลัวเนี่ยมันต้องมีเหตุผลก็ลองพย า, ยามคุยว่กลัวเพราะอะไรหรือว่ามีอะไรที่อยากจะทำบ้างบางครั้งเนี่ยคนเรากลัวเพราะว่ามันยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมจะตาเพราะยังมีอะไรที่คาอยู่ยังมีอะไรที่อยากเห็นอยากอยากทำเธอก็บอกว่าอยากเห็นรูปชายบวชอยากเห็นผ้าเหลืองรูปชายคุณหมอก็เลยไปคุยกับรูกชายแล้วก็สามี ลูกชายยินดีบวชแต่สามีบอกว่ายังไม่ใช่เวลาที่ควรจะบวชเพราะว่าเป็นช่วงข้าพันศาให้ออกพรรษาก่อนที่จริงบวชตอนไหนก็ได้นะเพราะว่าการบวชเป็นของดีจะบวชกลางพรรษาก็ได้สรุปก็ถือว่าลูกชายบวชไม่ได้ตอนนี้ยหมอไปก็ไปบอกข่าวนี้ให้คนไข้คนไข้ไขก็เสียใจ แล้วก็ไม่อยากคุยแล้วไม่อยากรมคุยวันต่อมาไปเยี่ยมคนไข้ยยหมอคนไข้มีการปวดควรวนคลางมากนะปวดหนักยิ่งกว่าวันก่อนบางก็ังเลิกงานชวนที่จะคุย น, นะแต่คนไข้ก็ไม่อยากคุยแล้วสุดท้ายก็เลยนะ คุยเรื่องการทำบุญแล้จูจ่ๆเนี่ยเธอก็พูดมาว่าเนี่ยเคยไปหาพระสมัยที่ไม่ป่วยพระก็นั่งทางในให้เธอแล้วก็บอกว่าให้เธอปฏิบัติธรรมหมอก็พยายเมที่จะถามต่อไปสุดท้าย เธอก็บอกความจริงว่าหมอเนี่ยนั่งทางหนแล้วก็บอกว่าเธอมีเจ้ากรรมในเรียนที่มาที่เคยเธอที่เธอ เ, เ, เคยทำบาปกับเขาไว้แล้วเขาก็มารบกวนแล้วเธอก็พูดต่อไปว่าตอนที่เธอมีแต่งงานกับสามีคนแรกเนี่ยเธอเคยมีท้องแล้วเธอทำแท้งให้หมอตั ง, งาาทาแท้ง เธอบอกว่าหมอตำใหญ่เนมันหักคอเด็กดังเปาะเลยว่เธอสูดทิฐิบาศมากเลยหมออัคร์ก็บอกว่าให้เธอแต่งชุดขาไปไปฏิบัติธรรมแต่เธอทําไม่ได้แล้วเพราะเธอป่วยเธอก็คิดว่าทางออกท้ายที่เป็นไปได้คือให้ลูกชายปวดแต่ลูกชายก็ไม่บวดแล้วก็เหตุผล อ, อย่างที่ว่า ก็เลยทางหมอกรณีบอลเนี่ยขอขอเบอร์ขอเบอร์ของพระเพื่อที่จะคุยกับท่านและนิมนต์ท่านมาแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือหมอบอกว่าให้เธอเนี่ยนะหมอเนี่น้อมิติดเธอให้ระลึกถึงคุณงามความดีที่เคยทำแล้วก็แผ่เมตตาของคสิกรรมเจ้ากรรมนายก เธอก็ทําตามนะด้วยจิตที่จดจ่อมากแล้วก็ชวนเธอสวดมนต์บอกว่าทำไปไม่ถึงสินาทีนะเธอสบายใจจนทั้งเธอนอนหลับไปเลยจากเดือนที่ร้องโวนครางนะแต่พอเธอรู้สึกว่าได้ขอเข้ามานะได้แผ่ให้ตา ย, ยกับกเจ้ากรรมนายเว รู้ว่ามันอะไรย่งมันออกไปจากใจเสร็จแล้วเนี่ยพ อ, พอรู้สบายใจนะหลับเลยทุกขเวทนาเนี่ยไม่มารบกวนแแต่ที่จริงทุกขเวทนาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากกายนะมันเกิดจากใจใจที่รู้สุกผิดแล้วบางทีเนี่ยสำหรับบางคนนีนะสิ่งที่คุณจะปล่อยวางคือความรู้สึกผิดนะแล้วจะทําทได้เนี่ยพอใจสบายนะ ไอ้เรื่องความเจ็บโวดทางกายเนี่ยมันเป็นเรื่องรองนะทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเป็นเรื่องการปล่อยวางความคิดและอารมณ์แต่ขั้นต่อมาคือการปล่อยวางเวทนานะปล่อยวางเวทนาปล่อยวา่านั้นคือปล่อยวางความเจ็บความปวดนะไม่เหมือนกันนะฮะ ที่พูดเมื่กี้เนี่มันเป็นเรื่องของความคิดปรุงแต่งที่ทําให้เกิดอารมณ์ที่เป็นอกุตลซึ่งซ้ําเติมร่างกายให้เจ็บปวดและเจ็บป่วยมากขึ้นแต่มันยังมีอีกตัวที่อันที่รบ ก, กวนก็คือเวทนาคือความรู้สึกเจ็บปวดในร่างกายนะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ต้องจัดการเหมือนกันอะไรที่ช่วยทําให้เราวางปล่อยวางทุกขเวทนาความเจ็บป่วยได้ความเจ็บปวดได้ อย่างแรกคือสมาธินะคุณหมอมารมามอุลีลาเคย่า้ฟังว่าเคยไปเยี่ยมคนไข้คนเป็นอาจารย์แพทย์มันเล็งก็ลาวไปกระดูกแล้วอายุก็ยังไม่มากแค่สี่สุด ก, กว่าคนไข้ปวดมากปวดจนนอนไม่ได้ต้องนั่งแล้วก็นั่งแบบนมากรองเมาขิงเม็ดเหงื่อเนี่ยเป็นเม็ดโตโ ต, โตเ่ยปากซี่ หมอเนี่ยให้หมอฟีนไปแล้วแล้วก็ให้ทุกสามชั่วโมงแต่คนไข้ไม่ไหวขอทุกชั่วโมงได้ไหมหมอให้ไม่ได้กอเลยปวดคุณหมอมารายเห็งนงินไข้มีอาการแบบนี้ไปเลยอยากจะช่วยถามคนไข้ว่าเคยทําสมาธิไหมเธอตอบว่า เ, าเขาตอบว่าไม่เคยก็เลยชวนทําสมาธิ หายใจเข้าพูดหายใจออกโทเอาจิตมาอยู่ที่ลมหายใจทีแรกก็นึกว่าคนไข้ผมทำได้สักห้านาทีเพราะว่าความปวด ม, มันแรงแล้วคนนี้ไม่เคยทําสมาธิเนี่นะห้านาทีก็นานแล้วพอกรบห้านาทีผ่านไปเขาก็ยังนั่งอยู่สิบนาทีก็ยังนั่งต่อไปสิบห้ายี่สิบนาทีสุดท้ายนั่งสี่สิบห้านาทีแล้วนั่งยสุง ด, ดีขึ้นเลย พอลืมตาขึ้นมาสุดกว่าโปรง่งแจ่มใสไอ้เนื้อเนี่ยเมื่อโตๆหายไปสามารถนั่งในท่าตรงหลังตรงปกาเป็นสีชมพูแสดงว่าเรื่องตรงดีขึ้นเจ้าตัวก็ประหลาดใจว่าโอ้สมาธิที่มันช่วยได้ขนาดนี้เดยๆนะคุณหมอมืเราถามว่าคุณไม่เคยนั่งสมาธิทำไมคุณถึงนั่งได้นานถ้าต้องที่ปวดเขได้ตอบว่า เขาเเป็นคนที่มีสมาธิลบงานผมก็เห็นนี่แหละสมาธิที่ใช้กับงานพอมาเอามาใช้กับลมหายใจมันก็ได้ผลมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างว่าการปล่อยวางเวทนานี้มันทำได้ด้วยสมาธิอธิบายก็คือว่าถ้านใจาเราอยู่ว่างๆนี่นะมันก็จะเข้าไปจดจ่ออยู่กับความเจ็บความปวด ควาเจ็บความปวดเนี่ยมันมีกำลังดึงดูดมากนะทนั้งๆที่เราไม่ชอบความเจ็บปวดนะแต่จิตมันยิ่งไปจดจออ่อไอ้เริ่องที่เจ็บปวดร่างกายส่วนที่สบายมันไม่สนใจนะจิตนะมันต้องจดจอด่ออยู่กับส่วนที่เจ็บปวดมันจมเข้าไปเลยนะจะเรียกว่าความเจ็บปวดมันมีแรงดึงดูดดึงดูดจิตให้เขาไปจดจ่อ ก็ไปเกลือกกลัวนี่เป็นธรรมชาติของคนสน่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาจิตเนี่ยหันเหนี่ไปจดจ่อสิ่งอื่นแทนเช่นลมหายใจนะมันจะวางความเจ็บปวดนะจะเรียกว่ามันลืมความเจ็บปวดไปก็ไดนะ้เพราะจิตมันไปจดจ่อสิ่งอื่นความเจ็บปวดยังมีอยู่แต่จิตมันไม่รับรู้เพราะมันไปจดจ่อสิ่งอื่นคุณเคยเป็นไหม เคยผ่านประสบการณ์นี้ไหมนั่งหลังปวดลําแข่งทั้งคืนแต่ไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกเมื่อยเลยเพราะอะพราใจจัดจอดอยู่กับไพ่ที่กำลังเล่นอยู่ในมือใช่ไหมฮะถามว่าตอนนั้นไม่ปวดเลยร่างกายไม่ปวดแล้วร่างกายปวดแต่คุณไม่รับรู้เพราะใจคุณไปอยู่กับไพ่ลัมมี่ตีลัมมี่ทั้งคืนแต่พอเลิกตีเนี่ยปวดเมื่อยขึ้นมาทันทีใช่ไหมอันนี้เราเรียกว่าลืมปวด เพราะอะไรเพราะสมาธิจิตมันมีสมาธิกับไพนะ่แต่ว่าสาวคนป่วยเนี่ยผมไ ม, ม่อยากรองจะเล่นกัไพ่นะแต่ว่าถ้าคุณฝึกให้จิตเนี่ยมันสา ม, มารถที่จะมีสมาธิประโลมหายใจหรือมีสมาธิกับส่วนในส่วนของร่างกายที่ไม่ป่วยแล้วควรจะเป็นอ ว, วัยว่ส่วนที่มันไกลความเจ็บปวดนะเช่นปวดท้องก็มีอยู่ที่ลมหายใจนะถ้าปวดหัวก็เอาอมาอยู่ที่ ท, ที่มือเอามือบี B. ขาวีบออกแล้วจดจอย่างงนี้นแหละนะให้ใจมันจดจอยอยู่กัามือที่กำแล้วก็แปรกำแล้วก็แบเป็นต้นนะครับมันก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าเรียก ง, ง่ายๆว่าลืมความปวดความปวดจะไม่หายนะความปวดกายไม่หายแต่ใจมันไม่รับรู้แต่ว่าอันที่สมของสมาธิอย่างนี้คือว่า ถ้าจิตมีสมาธิกับอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีผลต่อร่างกายเพราะเขพบว่าพอจิตมีสมาธิหรือจิตมีศรัทธากับสิ่งใดก็ตามเนี่ยมันจะมีสารบางตัวที่หลั่งออกมาเพื่อช่วยระงับความปวดนะในร่างกายเรามีสารที่สามารถจะบผลิตขึ้นมาได้เองเพื่อระงับความปวดมีชื่อเยอะแยะเช่นเอนโดเอนโดฟินโ ด, โดพามีนเซโรโทนิน ยังนีอีกเยอะนะที่นักวิาสาร์พบเรื่อยๆซึ่งมันจะทำให้ความเจ็บปวดลดลงแต่มันเหมือนกมีผลเหมือนกับยาระงับปวดแต่ว่ามันทำงานคนละวิธีและไม่มี side effect ไม่เหมือนกับยาระงับปวดเช่นมอร์ฟีนถ้าให้บ่อยนะมันไม่ใช่ติด น, นะแต่ถ้าให้ให้ีมากไปมันไปกดการหายใจหมอให้ไม่ได้ให้ถีดก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีผลต่อการหายใจนะ อันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าเราสามารถจะปล่อยวางเวทนาได้ด้วยการที่ให้จิตมีสมาธิอยู่กับสิ่งอื่นแทนนะและสิ่งนั้นควรจะเป็นสิ่งที่มันเป็นกลางกลางหรือเป็นกุศลสติก็ช่วยให้เราปล่อยวางเวทนาได้หลวงพ่อขอาตัมมาหลวงพ่อของเขียเนี่ยสุวรรโนเมื่อสิบปีที่แล้วท่านเป็นมะเร็งครั้งแรกนะเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลือง แล้วก็หมอเพราะว่ามันมีเนื้อที่ตับอ่อนด้วยหมอกดที่ท้องของท่านแล้วก็ถามว่าปวดไหมเขาบอกปวดเกินร้อยเรงพยาบัลก็เลยถามว่าปวดแล้วทําไมไม่ร้องท่านก็เลยตอบว่ามันปวดร้องมันปวดแล้วจะร้องทําไมให้ขาดทุนขอขจาใจเข้าใจไหมปวดแล้วจะร้องทําไมให้ขาดทุนเพราะว่าการร้องคือการซ้ําเติม ไม่ใช่ร้องการร้องอยี่ยมันซ้ำเติมตัวในความหมายที่ว่าถ้าท่านอธิบายว่าเนี่ยไอความปวดเนี่ยมันมีมันเป็นอาการที่เอาไว้เห็นไม่ใช่เข้าไปเป็นปวดแต่เห็นมันนะอย่าเข้าไปเป็นผู้ปวดนะถ้าบอก่าในความปวดเนี่ยมันไม่ลงโทษเรามันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเราปวดนะ มันลงโทษเราเห็นความปวดกับเราปวดไม่เหมือนกันนะฮะย้อนกลับไปที่เด็กอายุแปดขวบเนี่ยรู้ดีใจกับดูเห็นความดีใจไม่เหมือนกันเราใช้สติเนี่ยมันดูความปวดมารับรู้เห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดสติมันทําหน้าที่นี้ฮะสมาธิมันทําให้จิตเนี่ยลืมปวดแต่สติเนี่ยมันทําให้จิตเนี่ยมันช่วยจิตเห็นความปวดแต่ไม่ก็เป็นผู้ปวด เปม่นัก็ว่าเราเห็นกองไฟอยู่ข้างหน้าแต่เราไม่ได้กระโจนไม่ได้กระโดดหรือกระโดดลงไปในกองไฟเป็นผู้ปวดก็คือหมเพราะว่าโจลลงไปในกองไฟแต่เห็นความปวดก็คือว่าเห็นกองไฟมันอยู่ข้างหน้ามันต่างกันนะฮะเราเห็นกองไฟอยู่ข้างหน้าเนี่ยกับการที่เราอยู่กลางกองไฟเนี่ยอะไรมันทุกมากกันนะสติทาหน้าที่นี้นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราฝึก สติให้เห็นนะความคิดให้รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเราทำได้คล่องเนี่ยการที่เราจะใช้สติมาดูเวทนาก็จะเป็นเรื่องง่ายแต่จู่ๆจะไปไปดูเวทนา เ, นเห็นความปวดเนี่ยโดยไม่ไปพูดปวดเนี่ยมันยังเป็นเรื่องยากอยู่นะก็มาฝึกปล่อยวางความคิดและอารมณ์ก่อนแล้วค่อยมาปล่อยวางเวทนา สติปัฏฐานสีเนี่ยนะหรือการเจเริญสติเนี่ยมันเป็นวิธีที่ช่วยในการที่ทําให้เราเนี่ยปล่อยวางเวทนาได้ดีมากในสาวัติกามีพระอาหารหันต์ท่านหนึ่งนะท่านคือพระอนุรุท ธ, ธาพระอนุรุท ธ, ธาเนี่ยท่านเป็นพระย่ายกับผู้เจ้าแล้วก็เป็นโคศุภุมารชาตชีวิตนี้ไม่เคยรู้จักคําว่าไม่มนะีชีวิตนี้ไม่รู้จักคําว่าไม่มีตอนก่อนบวช น, นะะเคยเคย เคยเล่นเล่นเล่นเล่ น, ล น, ลนส ก, กาทุกอย่างนั้นแล้วก็ถ้าแพ้ก็ต้องหาหาของของหาขนมมาให้ผู้ชนะเพราะนุรุกเนี่ยตอนที่เป็นโยนเนียแพ้ตลอดก็ให้รู้ให้ให้คนใช่ไ น, นะเอาอะเอาขนมมาให้คนชนะจนหมดขออีูบบอกแม่เลยบอกว่าไม่มีแล้วนุรุกถ้าบอกว่า นั่นแหละขนมนไม่มีก็ เ, เอามาด้วยไม่รู้จักคำว่าไม่มีนะั้นรู้จักแต่ว่าขนมนไม่มีแต่เราเกิดขั้นปฏิบัติธรรมนะมีขั้นท่านป่วยปวดป่วยป่วยหนักมากแต่ว่าความปวดเนี่ยมันทําำลายจิตใจท่านไม่ได้เลยท่านบอกว่าก็ท่านเนี่ยใช้สติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เนี่ยนะมันคนที่คุ้นเคยกับการปฏิบัติก็จะพบก็จะรู้ว่านะว่ามันก็คือการปฏิบัติ เพื่อให้ให้มาดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมนะดูธรรมเนี่ยนะอธิบายยาวเอาเป็นว่าที่เป็นพื้นฐานก็คือการดูกายดูเวทนาดูจิตที่อาจมาพูดเพให้รู้ทันให้เห็นความที่เห็นอารมณ์นั่ก็คือการดูจิตซึ่งเป็นตอนที่สามแต่ว่าไอ้ที่มันยากกว่าคือตอนที่สองคือดูเวทนา แต่ว่าครูบาจารย์หลายท่านท่านก็ใช้วิธีใช้สติดูเวทนาแต่ไม่ใช่จ้องนะงก็จ้องวัดเนี่ยมันก็จะดูโดนเวทนาเนี่ยดูดเข้าไปเลยมันเป็นหลุมดําที่จะดูดนะครูบาอาจารย์บอกให้ชำเลืองนะชําเลืองดูเวทนาแล้วอย่าเผลอปล่อยใจให้เข้าไปในเวทนานะั้นหรือปล่อยใจให้เข้ไปยึดเวทนามันจะกลายเป็นผู้ปวดนะมันไม่ใช่เห็นเวทนาแต่มันจะรู้สึกว่าเกิดเราเกิดความสำคัญมากมายว่ามีฉันผู้ปวดขึ้น พ้นฟื้นได้นะจากเวลาที่ปวดเมื่อยตอนนี้นะเวลาปวดเมื่อยก็ดูดูความปวดความเมื่อยไปเวลายุ่งกัดก็เห็นว่าความปวดมันเกิดขึ้นที่แขนและเมื่อแต่กรตามที่มันรู้สึกว่าปูปวดเมื่อยอย่างแรงแสดงว่าเผิดสติไปแล้วและสติเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่จะช่วยนในเรื่องการปล่อยวางเวทนาได้สติมันทําให้เราเห็นว่าเวทนาเป็นเวทนา ไม่ใช่เวทนาเป็นเราหรือของเราเห็นความปวดว่าเป็นความปวดไม่ใช่มีตัวกูขึ้นมาเป็นผู้ปวดนะอันนี้เนี่ยนะพูดแบบนี้ลอยๆนยคนฟังอาจจะไม่เข้าใจต้องไปปฏิบัตินะนเข้าใจเจตเลยว่าทุกวันนี้ เ, เราเผลอไปยึดเอาเวทนาว่าเป็นเราเวลาปวดเ ว, เวลาเมื่อยเนี่ย้าเจะเห็นว่าเออแขนปวดขาเมื่ยหรือเห็นว่าความปวดเกิดขึ้นที่ แขนเกิดขึ้นที่ขาเกิดขึ้นที่กายมักจะไปสําคัญไม่หมายว่ากูัวปวดไอความความคิดปรุงแต่งว่ามีกูเนี่ยนะมันทําให้เกิดความทุกข์มากนะอาจารย์พุทธทาสเคยบอกว่ามันแตกเวลาเวลามีดบาดนิ้วนะให้ลองสังเกตนะถ้าเกิดว่าเราเราเห็นว่ามีดบาดนิ้วความรู้สึกมันจะแตกต่างกับเวลามีความสําคัญไม่หมายว่ามีดบาดกู มีบาดนิ้วกับมีบาดกูไม่เหมือนกันนะฮะความรู้สึกมันจะต่างกันถ้ามีบาดนิ้วเนี่ยนะมันเกิดความเจ็บขึ้นเราก็จะเห็นความเจ็บมันเกิดขึ้นที่นิ้วแต่ถ้านิ้วบาดกูเมื่อไหร่นะปูเจ็บเลยกูปวดนะและตรงนี้แหละเรียกว่าปวดทั้งกายปวดทั้งใจนะเพราะว่าพอเกิดความรู้สึ ก, กูปวดขึ้นมาเนี่ยใจมันปวดขึ้นมาเองนะข้ออย่างหนึงคือว่าอย่าไป ให้จิตมันไปยึดเอาความปวดของกายมาเป็นความปวดของกูเราไม่ชอบเวทนาเราไม่ชอบความปวดนะแต่จิตมันชอบไปยึดนะว่าความปวดนี่เป็นกูเป็นของกูเกิดความสุขกูปวดในเมื่อมันไม่ดีมันไม่ชอบไปยึดมันทําไมปากบอกว่าไม่ชอบเจ็บไม่ชอบปวดแต่ว่าจิตมันไปยึดทุกทีนะเอาความไปยึดความปวดของกาย เราจะยังยึดดตนี้ไปเรื่อยไปถ้าไม่มีสติสติมันจะเป็นตัวแยกนะกายปวดนะแต่ใจเป็ผู้ดูนะวันใจก็ไม่ทุกนะอันนี้เนี่ยต้องลองปฏิบัติดูในสาผพุตธการมีหลายท่า น, น, นขนาดโดนไฟครอบนะโดนไฟครองแต่ว่าจิตนิ่งมากเลยเช่นนางสามาวดีเนี่ยนะเหตุผลก็เพราะว่าท่านเนี่ย เอาเวทนาเป็นอารมณ์นี่ภาษาภาษาอิตาลีคือว่าท่านพิจารณาท่านมองเห็นดูเวทนาเห็นเวทนาดูความปวดนะเห็นเวทนาว่าเป็นเวทนาเห็นความปวดว่าเป็นความปวดไม่ใช่กูปวดก็คือไม่ยึดความปวดเป็นของกูปล่อยวางสองแล้วนะฮะปล่อยวางความคิดและอารมณ์ที่เป็นอกุศลสองปล่อยวางเวทนาหรือความเจ็บปวด ปล่อยวางที่สามมันคัญนะปล่อยวางความอยากอยากอะไรฮะอยากหายอาจจะอยากหายป่วยหรืออยากหายจากเวทนาตรงนี้เนี่ยหลวงปู่ขาวท่านพูดไปดีนะหลวงปู่ทานนาเรีย ก, ทก็ทํากำกองเพลงท่านมรณภาพไปนนานแนละ้วต้างบอกว่าไอ้ความอยากหายจากทุกขเวทนานะหรือความเจ็บปวดเนี่ยอย่าไปอยากหายนะ เพราะถ้าอยากหาเนี่ยมันจะเป็นตัวเพิ่มสมุทไทยคือทําให้ทุกข์เพิ่มขึ้นเพราะความอยากมันคือสมุทไทยหเหตุแห่งทุกข์อยากอยากหายจากความเจ็บความปวดเพราะมันจะทุกข์มากขึ้นท่านบอกว่ า, วาถ้าอยากนะให้อยากเห็นความจริงของทุกขเวทนาที่มันเกิดกับกายและใจเพราะนั่นแหละคือตัวมรร ที่นํนไปสู่ผลนะประเด็นที่อกย่างห้ึ่คือว่าเวลาป่วยแล้วมันมีความอยากหายจากความเจ็บปวดหรือความเจ็บป่วยนไอ้ตัวความอยากนั่นแหละมันจะทำให้ทุกข์เพราะว่าอยากแล้วเนี่ยมันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่หายตามที่อยากเนี่ยมันทุกข์เลยเสียงดังนะมีโทรศัพท์ส่งเสียงดังอยู่กลางห้อง หลายคนรู้สึกลำคาญไอ้ความลำคานนั่นแนหะเป็นตัวสกัดทุกให้กระใจยิ่งกว่าตัวเสียงโทรศัพท์เสียงโทรศัพท์ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือใจที่มันบน่นว้อยว่าที่พ่อยที่พ่ายหรือรู้สึกเป็นลบต่อเสียงนั้นแล้วพอรู้สึกเป็นลบเนี่ยมันอยากจะให้เสียงโทรศัพท์ดับไปแต่พอเสียงโทรศัพท์ยังดังอยู่นะมันใจยิ่งหมดกินเข้าไปใหแต่พอเราลองวางความอยาก ลงไปมันจะดังก็ดังไปความทุกข์มันจะลดลงเลย้วคุณไปสังเก ต, ตได้นะจากจิตใจตัวเองเวลามีเสียงโทรศัพท์ดังหรือว่าเสียงมอเตอร์ไซค์ความอยากเนี่ยถ้าอยากหายจากความเจ็บปวดเนี่ยนะมันจะทําให้ทุกข์มากขึ้นเพราะว่ามันไม่หายอย่างที่อยากนะก็จะผิดหวังก็จะไม่พอใจเกิดโทรศัพท์ความอยากอย่างนี้คือความอยากยืดหยุ่ ไม่อยากตายนะอันนี้โดยพ่อพูดกับผู้ป่วรยระยะสุดท้ายผู้ป่วรยระยะสุดท้ายหมายความว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคที่รักษาไม่หายแล้วก็ตอนนี้อยู่ในระยะท้ายของโรคแล้วไม่ตอบสนองต่อการรักษานะมันมีข้อเท็จจริงอะไ น, นึงที่น่าสนใจนะฮะในอเมริกาเนี่ย หมายถึง ม, ม, ม, มีโรงพยาบาลชื่อดังที่แม่สายจุตเสร็เนี่ยเขาเคยทำวิจัยที่มีชื่อมากเขาศึกษาจะกผู้ป่วยมะเร็งระยะที่สี่จำนวน151คนแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยรักษาด้วยวิธีการปกติใช้แสงเฉดเคโมเพื่อมุ่งรักษาให้หาย หรือในความเป็นจรงคือมุ่งยื้อชีวิตให้ยืนยาวที่สุดพราะมรักษาไม่หายแล้วระยะที่สี่แล้วก็เพียงแต่มุ่งเพื่อการยื้อชีวิตนะอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้ใช้วิธีนั้นผสมกับมีทางเลือกก็คือว่ามีโอกาสได้พบกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแพทย์แบบปรกกับปากองคือการแพทย์แบบปากกับปรครองค์เนี่ยมันตา่างจาก การแพทย์อีกแบบที่ยื้อชีวิตก็คือว่าการแพทย์แบบประคับประคองเนี่ยก็คือการที่มุ่งลดความทุกข์ทรมารของคนไข้และทำให้พขาสดวกสบายมากที่สุดไม่ได้มุ่งยื้อชีวิตนะแต่ลดความทุกข์ทรมานยและทาให้สะดวให้สุขสบายมากที่สุดกลุ่มที่สองเนี่ยนะใช้แสงด้วยใีคเโมด้วยและมีโอกาสได้พบกับหมอ ผู้เชี่ยวชาญที่แนะนําเรื่องการดูแลแบบประคับประคองซึ่งก็จะ ค, คุยกับคนไข้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะทําในชีวิตถ้าสาการมันเวลวร้ายลงอะไรที่ยังอยากจะทําอะไรที่ยอมพร้อม ท, ที่จะเสียไปแต่บางอย่างที่อะไรที่ยอยากจะคงอยู่เช่นบางคนบอกอยากจะรู้สึกตัวบางคนบอกอยากจะอยากจะมีความได้ได้ได้อยู่กับคนกับลูกหลานพร้อมหน้า แล้วก็เขาก็จะใช้วิธีการแนะนําวิธีการที่ช่วยทําให้ทําสามารถทําตามที่ต้องการได้โดยที่จุดหมายไม่ได้ในเรื่องการยื้อชีวิตแต่ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยสุขสบายทั้งการแลแ้วะใจมากที่สุดเ ข, ขาพบว่าผู้ป่วยกลุ่มหลังเนี่ยนะเกือบจะร้อยทั้งร้ยเลยเฮโลนะไปรับ การรักษาแบบประคับประคองไปเข้าสถานผู้ป่วยสถานดูแลผู้ป่ว ย, ยสุดท้ายไม่เอาแล้วนะส่วนใหญ่เนี่ยหยุดการทําเคมีบําบัดเยแล้วเข้าสู่สถานผู้ป่วยระยะท้ายเร็วขึ้นเพราะาก็รู้ว่าการใช้วิธีเคมีบําบัดเนี่ยมันแค่ยือ้อแต่มันก็นทําให้ชีกข์ทรมานคนที่เลือกที่จะเข้าสังพยาสุดท้ายคือคนที่คิดว่าฉัน พร้อมจะตายแล้วฉันไม่ต้องการยืนแล้วแต่ฉันขอให้อยู่อย่างสุขสบายอยูคุณภาพชีวิตดีที่สุดสิ่งที่ก็พบคือว่าคนกลุ่มหลังเนี่ยนอกจากทุกข์ทรมานน้อยลงแล้วเนี่ยมีชีวิตยาวนานขึ้นกว่าคนกลุ่มแรกที่มุ่งยื้อชีวิตฉีดเคมโมใช้แสงเนี่ยจุดหมายเดคือยื้อชีวิตเอาไว้ แต่พราวว่าคนกลุ่มหลังเนี่ยซึ่งพร้อมจะตายนะโอเคถ้าฉันจะตายฉันก็ตายแบบไม่ทรมานเพราะกว่ามีชีวิตยืนยาวขึ้นอันนี้ข้อมูลที่สอดคล้องกันนะเขาทำการศึกษาผู้ป่วยภายใต้ระบบประกรันสุขภาพเมด i c a ร e ของอเมริกา 4,000 ตั 4, วคนเกือบ 5,000 คนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหรือภ า, าวะหัวใจล้มเหลวระยะสุดท้ายนะ คนเหล่านี้เนี่ยไปรับบริการหรือไปใช้บริการของสถานดูแลผู้ป่วยระยสนทายที่ชื่อว่าฮอสปิตซึ่งในเรื่องการแพทแบบประกประกองคือไม่ยื้ชีิตนะแล้วคนที่เข้าสามิบาลสถานฮอสปิตซ์เนี่ยก็รู้แล้วแต่โอเคถ้าไม่ต้องการยื้ชีิตนะสิ่งที่กราพบคือว่าคนเหล่านี้มีชีวิตยืนยาวขึ้นเมื่อเทียบกับไอ้กลุ่มที่ต้องการยื้ คนที่เป็นมะเร็งตับอ่อนมีชีวิตยาวขึ้นเฉลี่ยสามอาทิตย์คนที่เป็นมะเร็งปอดชีวิตยืนยาวขึ้นปกติคนที่หัวใจล้มเหลวชีวิตยืนยาวขึ้นสามเดือนมันแปลว่าไงมันแปลว่ายิ่งอยากให้อยู่นานกลับตายเร็วยิ่งยิ่งอยู่ความยากนะที่จะอยู่เร็วยาวเนี่ยกลับอยู่ได้ยืนยาวขึ้นนะอันนี้มันก็ตรงกับนะ คำสอนพุทธศาสนานะคือว่าอย่างเช่นนะยิ่งอยากสมบยิ่งไม่สงบนะแต่พอวางความอยากที่จะสมบนะมันกลับสงบมากขึ้นมันมีตัวเลขแบบนี้เนะี่ยมันมีข้อมูลกลักที่ยืนยันนะให้เห็นเลยนะว่าคนไข้เหล่านี้เนี่ยพอเขาวางความอยากที่จะตายวางความอยากที่จะอยู่ให้ยืนยาวเนี่ยเขาอยู่ได้ยืนยาวมากขึ้นแล้วมีความทุกข์ทรมานน้อยลง น, นะ หลายคนแม้เลือกที่จะเข้าโรงพยาบาลไม่เข้าแม้เลือกแม้สามารถจะเข้ า, ขาหา้องไอซียูได้มันมีการทดลองการโครงการของบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งนะที่นอนุญาตให้คนไข้เนี่ยทาได้สองอย่างคือจะใช้บริการโรงพยาบาลเพื่อรักษาเพื่อยืนชีต ก, ก็ได้หรือจะใช้บริการดูแลผู้ป่วยสุดท้ายคือฮอสปิ c อ ก, ก็ได้คุณเลือกได้เลย ซึ่งปกติมันเรือกไม่ได้นะมันต้องเอาอย่างตัเองหนงแต่ว่าค่อมีโครงการพิเศษให้เลือกได้แล้วก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะหันมาสู่การหันมาสู่การดูแลผู้ป่วยในสุดท้ายเคจีบอร์ดฉันไม่เอาแนละยื้อชายแสงฉันไม่เอาแนละ้วแล้วก็พวกคนเหล่ า, านี้เนี่ยสถิติการเข้าห้องไอซียูเนี่ยน้อยหลงการเข้าห้องฉุกเฉินเนี่ยน้อยลงครึ่งหนึ่งนะยิ่งคนแก่แล้วเนี่ยนะสถิติการใช้เข้าห้องฉุกเฉินเนี่ยลดพวก ถึง 80% มันแปลว่าอะ ม, มันแปลว่าเขามีความทุกข์น้อยลงเพราะถ้าเขามีความทุกข์มากเยก็คงจะต้องทาทุกวิธีแม้จะต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อไปทําให้ความทุกข์มันหายหรือเพราก็คิดว่ามันที่ก็ไม่ใช้บริการโรงพยาบาลเพราะเขาคิดว่ า, ามันไม่จําเป็นอยู่ฮอ p เ c e ก็ดีแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่าพิจารณา น, านนะว่าไอ้ความอยากความอยากเนี่ยถ้าเราปล่อยวางเนี่ยนะ ความอยากหายก็ดีหรือความอยากอยู่ให้ยืนยาวคนถ้าเราปล่อยวางแล้วเนี่ยนะโดยการเลือกการรักษาพยาบาลที่มันที่มันเหมาะสมกับเราเนี่ยที่ไม่ในมุมยวิชีวิตเนี่ยนอกจากทำให้ทุกทรมานน้อยลงแล้วเนี่ยยังกลับมีชีวิตดีดายขึ้นการปล่อยวางด้วยสติด้วยสมาธิ นะหรือว่าด้วยวิธีการการเท ร, รมากลามาเนี่ยมันมีมันมีหลักง่ายๆอยู่อย่างหนึ่งนะก็คือว่าเมื่อเรายอมรับผู้ป่วยฮอสปิตที่ไปเลือกใช้การารักษาแบบประคับประคอมในสถานดูแลผู้ประสุดท้ายนะครับคนหลังนี้ก็ยอมรับความตายเมื่อเขายอมรับความตายนนเนี่ย จิตใจจะทรมานน้อยลงแล้วอาจจะตอบสนองต่อการเยียวยาที่มุ่งบรรเทาความเจ็บปวดการยอมรับมันเป็นหัวใจสำคัญนะของการปล่อยวางเราปล่อยวางได้เมื่อใจยอมรับถ้าเรายอมรับทุกเวทนาเรายอมรับความเจ็บปวยเรายอมรับความตายเนี่ยใจมันจะปล่อยวางได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยมันจะต่อสู้ขัดขืนแลามันจะกลัวนะอะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าเราไม่ยอมรับเรายิ่งยึดติดด้านกลับมาที่เสียงดังเราไม่ชอบเสียงดังใจวายวิ่งจดจ่ออยู่กับเสียงนั่นแหละจะเป็นเสียงโทรศัพท์เสียงคุยคุยกับตามยิ่งผักสส ย, ยิ่งยึดติดนะ ยิ่งปฏิเสธนะก็ยิ่งยึดติดยิ่งไม่ชอบก็ยิ่งจดจอ่อเวลามือเราถูน้ำมันถูกเปื้อนปาลาหรือว่ า, อาของเหม็นมันเหม็นใช่ไหมฮะเราทำานะเราก็เช็ดมือเช็ดนิ้วแล้วเราทำไงฮะมาตรง เราไม่ชอบใช่ไหมฮะแต่เราเอามาดมยิ่งนี้กินอยู่เราก็เช็ดเราก็ถูแล้วก็ ด, วกวกดมต่อยิ่งถ้เป็นขี้หมาด้วยนะยิ่งดมแล้วดมอีกใช่ไหมฮะยิ่งเกลียดก็ยิ่งตดจรอยิ่งผักใสายยิ่งยึดติดแต่ถ้าคุณยอมรับ เ, ออเม็นก็เหม็นไปเสียงมันจะดังก็ดังไปมันธรรมดามันปล่อยวางนะครับใจเราเนี่ยวางเลยนะเสียงนั้นนะี่ย ใจระวางในกลิ่นเนี่ยความเจ็บปวดก็เหมือนกันนะฮะถ้าคุณไปคุณไม่ยอมรับมันจะด้วยเห็นคนใดก็ตามคุณยิ่งทุกข์ทรมามีผู้หญิงคนหนึ่งนะแกเป็นคนที่สนใจดูแลสุขภาพมาแล้วแกก็ดูแลสุขภาพอย่างดีกินอาหารชีวิตจิตแคโครไบติสนะแล้วก็ออกกำลังกายเล่นโยคะอาหารเสรมิมอะไรก็ตามที่ทาให สุขภาพดีไม่เป็นมะเร็งนะโคคิวเทสไปรูไลน่าหรือว่ า, าสารพัดนะฮะแกก็ซื้อมานะอาหารที่มีสารเคมีแกปฏิเสธเพราะแกช่วยทำให้ชีวิตยืนยาวแล้ววันจนแกพบว่าแกเป็นมะเร็งนะแกโกรธมากแกทาใจไม่ได้ พบาะจมีความหวังมีความเชื่อนะว่าสิ่งที่แกทําเนี่ยมันทำให้ไม่เป็นมะเร็งทําให้มีอายุยืนนานแกกรธเมื่รอรู้สึกว่าถูกหลอกรู้สึกว่าถูกโกงไอ้คนที่กินล่าสุบลีมันไม่เป็นแต่กูเป็นพวกโกรธมากเลยนะทําใจไม่ได้แล้วตลอนเราไปรักก็มีความทุกข์มากเลยกราดเกลี้ยวไปหาหมอนี่ยกราดเกลี้ยวใส่หมอใส่สเปลยนบาดจนกระทั่งไปโรงพยาบาลก็ยังกราดเกลี้ยวไม่หย เวลาตายก็ตายไม่สงบนะรับทั้งหมดนี่เป็นเพราะอะไรเพราะแกไม่ยอมรับหลายคนมีหลายคนที่จะไม่ยอมรับความเจ็บป่วยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเวลสมบูชามันยังดีบางคนเนี่ยทําบุญให้ทานนะเพื่อปฏิบัติธรรม ท, ทาบุญทากุศลทอดพระป่าทอดกระถินไม่เคยไม่เคยปฏิเสธรับเลยด้วยความเชื่อว่าทําแล้วเนี่ยจะมีชีวยิยืนยาว พาะก็ให้ความอายุวนนันสุธาภรณ์พอมาเป็นเท่านะั้นอายุห้าสิบเป็นประบบโกรธมากเลยทำดีทำไมจิตไม่ได้ดีไม่ยอมรับแล้วก็ตลอดเวลาที่ป่วยนะก็ทรมารแล้วก็เช่นเดียวกับอีกคนที่เพิ่งพูดถึงนะคือเวลาตายก็ทุรนทุรายไม่สมนแต่ถ้ายอมรับนะปวดแค่ไหนเนี่ย มันรับมือกับกันได้คราที่เราธรมมาพูดไปถึงคนที่เป็นมะเร็งใบหน้าแต่ว่าเขาก็สามารถอยู่ความเจ็บปวดได้ธตตมจะไม่พูดซ้ำนะเพราะเวลาเหลือน้อยแล้วการยอมรับเนี่ยเป็นมัวใจสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยปล่อยวางได้อาจารย์กคุณทองคุณนุ่มนะเป็น เป็นผู้ที่ที่การมาไม่ว่าค้นชีิตนะที่การตั้งแต่ยี่สิีที่การตั้งแต่คอลงมาก็อุบัติเหตุจากการโดดน้ําแล้วก็สามารถที่จะรักษาใจโดยกระทั่งจนกระทั่งพูดได้เต็มปากว่าผมออกจากความทุกข์แล้วเพราะท่านเห็นว่าไอท้ที่ทการเนี่ยคือา ก, ก, การที่การแต่ใจไม่ได้ที่การด้วย ที่มองเห็นฉะนันเพะได้ปฏิบัติเจริญสติจนกระทั่งเห็นว่าไอ้ความพิการมันไม่ใช่รอพิการมันคือกายคิการทิศก็ห ล, ล, ล่อจะความปวดก็อยู่อย่างมีความสุขทั้งที่ความพิการไม่ได้หายจนกระทั่งเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาก็เป็นมะเร็งเพราะว่าเป็นมะร็งตับอ่อนอบอกว่าอยู่ได้ไม่นานแล้วก็อยู่ได้อีกสองปี แล้วตัวเราที่ป่วยเนี่ยก็หน้าตาว่ายินแยงอาจารย์บางคนบอกว่าเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยให้ยอมรับสามอย่างหนึ่งยอมรับความจริงยอมรับว่าเราป่วยเราป่วยเป็นอะไรสองยอมรับความเป็นไปก็คือว่าไอ้มันเ本งที่เราเป็นเนี่ยหรือความเจ็บป่วยที่เราเป็นเนี่ยมันรักษาไม่หาย พัฒนาการมันจะเร็ว้อยลงไปเรืเลยยอมรับการเศร้าเพราะทาไมยอมรับจะตดโวยตหไฟโวยวา ย, ว ย, วยและสามยอมรับความตายถ้าเรายอมรับความตายได้ความตายก็ไม่น่ากลัวความตายก็เพียงแค่ปรากฏการธรรมชาติอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะย้านะว่าแม้เราจะ ไม่ถนัดในการเจริญสติทมสมาธินะแต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นในการที่เรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทําให้เราปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นตอนมอีคำสอนนะหรือพุทธภาษิตนะที่ช่วยทาให้เรายอมรับกับสิ่งที่เป็นความเจ็บความป่วยความแก่และความตาย บท น, นั้นเชื่ออภินันปัจเจวยมีห้าข้อแต่ธรรมายุ ม, มาสีข้อสั้นๆซึ่งควรพิจารณาอยู่เสมอคือหนึ่งเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลพ้นความแก่ไปไม่ได้สองเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลดพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้สามเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลดเพินความตายไปไม่ได้สี่เราจะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจเท่านั้น ข้อสี่จริงมันต้องมา ก, ก่อนข้อสามนะเพราะว่าเราต้องพัดพรากก่อนที่เราจะตายแต่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยนะให้เรามาพิจารณาเสมอเดี๋ยวได้แค่ท่องเอาแต่ว่าพิจารณาโดยเพราะเมื่อเห็นคนหนึ่งเขาแก่เขาเจ็บเขาพัดพรากแล้วเขาตายแล้วก็น้อมมาสุดใส่ตัวอสวสานมันก็เป็นอย่างนั้นก็ทําให้ใจเรายอมรับมาขึ้นเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะไม่โวยวายทําไมต้องเป็นชั้น ทำไมต้องเป็นชั้นเรากลับจะพูดหมายว่าทําไมจะเป็นชั้นไม่ได้เพราะแคร์แเขาก็เป็นกันนี่ตมาพูดไปล้วท่านปล่อยวางเนี่ยปล่อยวางความคิดและอารมณ์ปล่อยวางเวทนาปล่อยวางความอยากสุดท้ายก็ปล่อยวางร่างกายนะให้เราพยายามมองว่าพิจารณาเสมอว่าร่างกายเนี่ยนะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะ สติเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเห็นความจริงตรงนี้ชัดเจนขึ้นเมื่อเราเอาสติเนี่ยมาดูกายดูใจเนี่ยหรือว่าเวลาทําแล้วทำอย่างมีสติเนี่ยไม่ทําให้ความสําคัญมั่นหมายว่าเราถายไปมันมีแต่กายกับใจไม่ทําให้เราเห็นความจริงที่อยู่ซ้อนที่อยู่หลัง ความสาคัญคไม่หมายถิ่นถิ่ว่าเราความผิงที่ซ้อนอยู่ข้างหลังในความรู้สึกว่าเป็นเรานะก็คือกายกับใจผู้อย่างก็คือว่าจริงๆแล้วมันไม่มีเรามันมีแต่กายกับใจเวลาคุณจเจริญสติเนี่ยนะแล้วเวลาเดินเนี่ยถ้าคุณเดินมีสติเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าไอ้ที่เดินเนี่ยมันไม่ใช่เราเดิน แต่มันเป็นรูปหรือกายที่เดินแล้วถ้าเกิดคุณมีความคิดฟุง้งซ่านมีอารมขึ้นมาเนี่ยแล้วใช้สติดูเนี่ยก็เห็นว่ามันไม่ใช่เราคิดมันไม่ใช่เราฟุง้งมันไม่ใช่เราโกรธแต่มันมีความคิดความโกรธเกิดขึ้นกับใจนนในตอนเีวการเวลามีความปวดเกิดขึ้นเนี่ยแทนที่จะสําคันแม่มายว่าเราปวดเราก็าจะเห็นว่าความปวดมันเกิดขึ้นกับกาย คือสติมันจะทำให้ไอความคิดว่าเป็นเราเป็นเราเนี่ยมันหายไปเห็นแต่ความจริงพื้นฐานว่ามันมีแต่กายกับใจตรงนี้เนี่ยมันช่วยทำให้เริ่มปล่อยวางนะความคิดความสำคัญมากนหมายว่าเราว่าเราได้นะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราเมื่อป่วยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เราป่วยมันเป็นแต่กายที่ป่วย คิดแบบนี้ <S <S <an> <S เห็นแบบนี้เนี่ยจิตมันก็จะไม่ป่วยไปด้วยแต่พอเราไปสังเกตม า, มาวมาเราปวา่วยเมื่อไหร่นี้มันป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจทัทนทะีมองให้เห็นว่ามันเป็นกายที่ป่วยไม่ใช่เราป่วยแต่คุณจะทําให้ได้เนี่ยคุณก็ต้องเห็นโดยตลอดว่านะเวลาทําอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เราทำํำนะมันเป็นกายที่ทําเวลามีความคิดเวลามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมันไม่ใช่ไม่ใช่เราคิดไม่ใช่อารมณ์ ของเราแต่มันเป็นแค่ความคิดและอารมณ์ที่อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจนะอย่างที่เด็กคนนั้นพูดนะว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจนยก็คือไม่ใช่เห็นว่าความดีใจเป็นตัวหนูหรือของหรือของหนูนะแต่มันเป็นความดีใจที่เกิดขึ้นกับใจตรงนี้เนี่ยมันช่วยทําให้เราเห็นนะว่าไอ้กายนี่ไม่ใช่เราไอ้ความว่าเราเนี่ยมันเป็นแค่มันเป็นแค่ คำสมมุติที่ใช้เรียกตัวฉันเนีคุณลองคิดคุณลองคุณลองชี้มาที่ตัวอัตมาหรือตัวคุณก็ได้ว่าตรงไหนที่เป็นตัวคุณตรงนี้หรือเปล่านี่คือตัวฉันไหมไม่ใช่นี่คือหน้าอกตรงนี้ไหมตัวฉันไม่ใช่นี่คือหัวตรงนี้ไหยตัวฉันไม่ใช่นี่คือหู ตรงนี้แม่คือตัวฉัน ไ, ไม่ชช่แล้วนี่คือแขนคุณหาตัวฉันไม่เจอนะถ้าคุณชี้ไปไม่ว่าจุดไหนก็ตามไอ้คำว่าตัวฉันมันเป็นแค่คาสมมุติเรียกอวัยวะต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะว่าเป็นตัวฉันแต่ตัวฉันจริงๆมันไม่มีนะมันเป็นคำสมมุติไอนะ้ตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าคุณมองเห็นเนี่ยนะนะมันจะช่วย ปรดช่วยเรื้งให้ความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราเวลากายป่วยนะมันก็จะไม่เห็นว่าเราป่วยก็จะเหนมันเป็นเรื่องของกายเวลาผมหงอกเวลาเขียวย่นมันไม่ใช่เราแก่มันก็เพียงแต่ร่างกายที่มันแก่ลงไอ้ตรงนีนะ้มันจะช่วยลดความทุกข์ทรมาน ไปได้เยอะเลยอันนี้เรียกว่าเป็นขั้นตอนการปล่อยวางร่างกายเริ่มจากการปล่อยวางว่ามันไม่ใช่เราต่อไปก็ปล่อยวางว่าปล่อยวางว่ามันไม่ใช่ของเราแต่เพียงแค่ว่าเราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราความเจ็บความปวดที่ไม่ใช่เราเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะไม่ว่าจะเห็นด้วยสติเลยเห็นด้วยปัญญาก็ตามถ้าเห็นด้วยปัญญานี่มันจะเห็นอย่างอย่างอย่างถาวรไปเลยนะว่าโอ้ จริงๆมันไม่มีเรามันมีแต่กายกับใจหลวงปู่บุดาเนี่ยวโรท่านเคยข้าลงท่านไปรับนิมมดไปฉันนะในบ้านโยมคนเยอแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามีพระในวัดไปด้วยเพราะว่าอาหารเป็นพิษนะพระที่มาทั้งคณะเนี่ยอาเจียนจนเป็นการใหญ่อาเจียนจนหมดแรงนอนหมดสภาพหลวงปู่บุดาท่านกลับยังสามารถจะนั่งคุยกับโยมได้ ท่านนะบางพอคุยได้สักพท่านก็จะเอากระโถนลากออกมาแล้วก็อัดเกียนเสร็จแล้วคุยกับโยมต่อหลวงปู่บุดาอายุ89สิบแล้วตอนนั้นนะพระหนุ่มๆเนี่ยหมดสภาพเป็นแถมแต่ท่านเนี่ยนะก็ยังสามารถนั่งคุยกับโยมได้ท่านบอกว่าเนี่ยคุยกับโยมเพื่อโยมจะได้ไม่เสียใจนะที่ทําให้เกิดเหตุแบบนี้ก็คนก็ถามว่าหลวงปู่ไม่ไม่เป็นอะไรเลย บอกเป็นเนี่ยมันให้เป็นนะท่าบอกว่าร่างกายเนี่ยมันประกอบด้วยดินน้ำไฟรวมเมื่อโดนยาเหลือยาเมามันก็ต้องมีอาการอย่างงี้แนหะคืออาเจียนมีทุกขเวทนาแต่ใจมันไม่ได้เป็นด้วยคนเนี่ยคนคนส่วนใหญ่เวลาเจอแบบนี้เนี่ยมันจ ะ, จะไม่ได้มองว่ากายเนี่ยมันเจ็บมันปวดหรือมันปว่วยแต่เจา้าสือว่ากูปว่วย แล้วก็เลยหมดแรงง่ายๆแต่หลวงปู่เนี่ยท่านไม่มีคําว่าเราแล้วไม่มีคําว่าฉันแล้วท่านไปพ่นยามายาพวกนี้ท่านเห็นแต่ว่ามันมีแต่กายกับใจมันไม่มีเรางั้นเวลากายปวดมันก็กายปว ด, มปวดไม่ใช่เราปวดจิตมันก็เฝ้าดูเฉ ย, ยๆว่ารับรู้เฉยๆว่ากายปวดอีกครั้งท่านไปผ่าตัดเอานิ้วในไตออกผ่าตัดได้สิบห้ า, าทีท่านก็บอกว่าผ่าเสร็จสิบห้าทีอันท่านก็บอกว่านี้ ไม่เป็นไรแล้วเครื่องชั่วแล้วหมอก็แปลกใจว่าหลวงพ่อไม่ปวดเลคนหนึ่งเขาถ่าเบาะถ่าหน่อยก็ท่านยังปวดเลยยังยังร้องว่าปวดเลยหงพ่หลวงพ่อมีไม่ไม่ปวดเหมือนคนอื่นเหรพยาบาลก็ถามหมอก็ถามท่านบอกว่าทําไมจะไม่ปวดร่างกายของท่านกเหมือนคนทั่วไปนะนะร่างกายของปหลวงปู่ก็เหมือนคนทั่วไปนะ มันปวดแต่ใจไม่ได้ปวดด้วยย้อนมาปวดกันนะจะจะรู้สึกแบบนี้ได้จะเห็นแบบนี้ได้ต้องมีปัญญาเห็นนะว่ามันไม่มีเรามันมีแต่กายกับใจและกายก็ไม่ใช่ของเราไนะมโครโฟนเนี่ยนะไม่ใช่เราแน่นอนนะแต่หลายคนก็ยึดเป็นของเราใช่ไหมฮะแว่นเนี่ยนะก็ไม่ใช่เราแต่หลายคนก็ยึดเป็นของเรา ยิ่งโทรศัพท์ก็ยิ่งชัดใหญ่นะโทรศัพท์ไม่ใช่เราแต่ก็ไปยืดเป็นของเราแล้วถ้าโทรศัพท์เสียโทรศัพท์ถูกขโมยทุกข์มากถึงแม้ว่าไม่ยึดวยั ง, ย, งยังไม่ถึงแม้ไม่ยืดเป็นเราแต่ว่ามันยังก็เผลอยืดเป็นของเราเมื่ก็ยังทุกข์มันนั้นแล้วหลายคนก็รู้สึกกันกับร่างกายร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันแก่มันเจ็บมันป่วยก็ทุกข์อันนี้ให้เราพิจารณานะมันมีมันมีมนม คำพิจารคำบทพิจารณานะชื่อว่าอตุลกายะภาวนาอตุลคืออาดูนต้างก็บอกว่าแม้กายเนี่ยมันจะกระสรับกระส่ายอาดูนกระวนกระวายนะแต่ใจก็จะไม่กระสรับกระส่ายกระวนกระวายหรืออาดูนด้วยเพราะว่าแล้วก็บอกว่าเนี่ยแม้กาย มันจะดับแม้กายมันจะแตกแม้วิญญาณมันจะดับก็เพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราช่างมันเรื่องขอช่างมันเนี่ยนะมันช่วยได้มากเมื่อถึงเวลาที่เราป่วยเนี่ยก็พยาโม้เห็นนะว่ามันเป็นแค่กายซึ่งมันก็ต้องเสื่อมต้องดับไปถ้าเราไปดว่าร่างกายเป็นของเราเนี่ยเราจะป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจ สิ่งที่เราจะช่วยได้คือปล่อยวางร่างกายที่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่แค่แค่เอาแต่ภาวนาด้วยสมัยหนึ่งนักกุลบิดาป่วยหนักนักกุลบิดาเป็ น, เ ป, นเป็นอุบาสิกุบาสกควรสำคัญในศาพัตกามแล้วพูตเจ้าเสด็จมาเยี่ยมสนทนากับนักกุลบิดา สนทนาเสร็จนักคุณมิลาก็ผ่องใสพระสายฤกษ์บุตรมาเห็นก็ถามว่าทําไมจีหน้าถึงผ่องใสนักคุณมิดาก็เล่าให้ฟังว่าผู้เจ้าเนี่ยได้มาเสด็จมาเยี่ยมแล้วก็ได้มาโปรดพระสายฤกษ์บุตรก็ถามว่าพระองค์แสดงธรรมว่าอะไรแนะนําว่าอย่างไรพระองค์แสดงธรรมว่าแม้กายถูกโรคดุลของเราก็อย่าให้ใจถูกโรคดุมเราด้วยเพื่อว่าแม้กายป่วยอย่าให้ใจป่วยด้วยแล้วนักคุณมิดาก็ถาม พระสารีบุตรว่าไอ้กายป่วยจจไม่ป่วยเป็นอย่างไรภรษสารบุตก็อธิบายว่าเมื่อตะตาลที่เราอยู่โดยที่ไม่มีความรู้สึกรุมเร้าหรือสำคัญมั่นหมายว่ารูปนี้เป็นของเราเมื่อรูปนี้แปรรูปก็คือร่างกายนะเมื่อรูปนี้แปรปวนแปรปวนลึกไปหรือกลายเป็นอื่นก็จะไม่มีความโศกความร่ำารลาพันมีทุกข์มีทมนะหรือความขับแข้งใจ อย่างนี้แหละเรียกว่ากายป่วยใจยไม่ป่วยนะก็คือไม่ยึดว่ารูปหรือร่างกายที่เป็นของเรานะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยตั้งแต่ขั้นแรกก็ผิดแล้วคือว่าไปคิดว่าเราป่วยเราป่วยนะไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องของรูปไม่เป็นเรื่องของกายมันกายป่วยไม่ใช่เราป่วยแต่กายป่วยแล้วถ้าเป็นทว่ากายของเรามันก็ยังทุกข์อยู่นะ ตอาเมื่อเราเห็นว่ากายนี้รูปนี้ไม่ใช่ของเรานะมันก็จะไม่เกิดความป่วยใจหรือความทุกโธมนัดความขับแฉนใจได้นฉะนั้นเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อกายป่วยและกายมันอยู่ในภาวะที่สุดวิสัยที่จะเยียวยาสุดท้ายก็ต้องแตกดับไปก็คือตายนะ ก็ให้เรามองเห็นว่ามันไม่มีใครตายนะมันมีแต่กายที่ดับไปมีแต่จิตหรือวิญญาณที่ดับไป <c oughs> บทภาวนาหนึ่งที่น่าพิจารณานะชื่อว่าติลัคขะภาวนานั่นบอกว่าเนี่ยบทนิยามจพูดสั้นๆคือว่า เมื่อถึงเวลาที่จะตายเนี่ยนะก็ให้พิจารณาว่ามันเป็นนามรูปเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับไปนามรูปคือกายกับใจเนี่ยมันไม่ใช่เราเกิดมันไม่ใช่เราตายมันเป็นนามรูปที่เกิดแล้วนามรูปมันก็ดับนะเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวตนของเรา นามารูปมันดับช่างมันไอคําว่าช่างมันนี่น ะ, ะให้เราเราพิจารณาเสมอนะแต่เราพิจารณาแต่ก็ะตอเมื่อเห็นว่าเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเริ่มแต่ว่ามันไม่ใช่เราแต่มันเป็นกายและใจที่แปรปรวนไปพยายามมองให้ทะลุความเป็นเราให้เห็นว่ามันไม่มีเรามันมีแต่กายกับใจน อันนี้แหละที่เขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามเป็นเบื้องต้นนะคือว่าถทนที่จะเห็นเราก็มองเห็นจนกระทั่งเราเนี่ยมันกระจายออกไปมีแต่รูปกับนามกายกับใจตรงนี้เลยเป็นขั้นตอนการปล่อยวางร่างกายได้ซึ่งต้องมาใช้อาศัยทั้งสติและปัญญาอาจารย์พุทธาท่านบอกว่าให้เราเนี่ยเรียนรู้เรื่องการตายก่อนตายนะ ตายก่อนตายหมายความว่าก่อนที่มันจะหมดลมแล้วก็ให้ไอตัวตวนตมันตายซะก่อนหรือตัวฉันมันตาย่บทพิจารณาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเครื่องช่วยทำให้เราเนี่ยระวางไอตัวฉันทำให้ตัวฉันมันตายไปจากใจก็คือหมดความยึด ม, มั่นในตัวฉันแต่กว่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็ต้องใช้การภาวนาเช่นการเจริญสติหรือว่าสติปัฏฐาน เพราะสิบปทานเนี่ยถูกหมายคือการพิจารณาเห็นว่ากายเป็นกายไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรือสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเวทนาเห็นเวทนาว่าเป็นเวทนาไม่ใช่เราของเราเห็นจิตว่าเป็นจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเการเจริญสติที่ครูบาอาจารย์สอนถ้าเราฝึกเอาไว้เนื่องาะในยามที่มีสุขภาพดีเนี่ยก็ช่วยทาให้เราเนี่ยสามารถจะมาใช้ในการปล่อยวาง ความคิดอารมณ์กุศลปล่อยวางเวทนาปล่อยวางความอยางปล่อยวางไม่ใชทั้งร่างกายหรือทั้งจิตใจนี้ด้วนะอย่างแล้วก็ตามอยากจะย้าว่าแม้ร่างกายไม่ใช่ของเรานะแต่เราก็ควรจะรักษาควรจะดูแลนะไม่ใช่ว่าพอไม่ใช่ของเราเราก็ปล่อยทิ้งเหมือนกับเรือถ้าเรือมันเรือไม่ใช่ของเราก็ริ้งแต่ถ้ามันรั่วก็ต้องซ่อมเพื่อว่าจะได้ใช้กันานานให้เกิดประโยชน์ ร่างการไม่ใช่ของเรานะแต่ว่ายังมีประโยชน์เพราะนั้นก็ต้องเยียวยารักษาดูแลเพื่อจะได้ทำคุณงามความดีสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงที่สุดต่มาก็ใช้เวลาพอสมควรนะก็ขออุติการบม่ยากดึงท่าน 属于。<嗯> ได้บบลหนะลับรวยปัญหาก็จะใช้ตัวอะไรมาปล่อยวางของอย่างนี้ครับฝังที่หน่งนะครับคําถามที่สองว่าการกล่าวเมื่อสักครู่ว่าเวลาเราตายกายแตกหักนะครับแล้วส่วนไหนของเราที่จะไปเที่ยวรักขาวนะครับหรือจริงๆแล้วนะรักษาวรนี้เป็นกุศ โ, โลบายเพื่อที่จะทําให้เราทําความดีเท่านั้น คำดไครับความคิดปรุงแต่งนอกจากจะมีเฉพาะด้านที่ไม่ดีแล้วด้านที่ดีมีไหมครับขอบคุณครับความคิดปรุงแต่งด้านที่ดีก็มีนะเช่นสมมติว่าเราป่วย หรือว่าเรารู้สึกเป็นไข้หรือว่าสึกตัวร้อนเพราะว่าหรือว่าเกิดความสุกปวดมาก ม, ากมากเพราะว่าโดนไฟลวกโดนน้ำน้ำร้อนลวกสมมุติเราแล้วเราลองจินตนาการไปถึงธรรมชาติทิวทัศน์ภูเขาบางคนอาจจะจินตนาการไปถึงถ้ามันร้อนมากมากเพราะว่าน้ำน้ำร้อนลวกวไฟไหม้สมมติว่าเคยไปเล่นส ก, กี ก็จินตนาการว่าไปเล่นส ก, กีมันจะช่วยได้นะหรือว่าเวลาปวดหัวเนี่ยนะจินตนาการว่าในร่างกายเราเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับแผ่นดินที่มันกำลังร้อนรุม่มแล้วมันมีฝนตกลงมามันมีลำพานเย็นสายไหลผ่านก็ช่วยได้อันนี้ภาษาฝรั่งเรี่อง v i วลไอเซชันนะหรือการคิดในเชิงบวก มันก็เป็นการปรุงแต่งในทางบวกความความปรุงแต่งในที่นี้นอัตมาหมายความว่ า, าการคิดให้มันให้มันให้มันไม่ใช่ว่าปรุงแต่งแบบสร้างภาพเกิเกนจริงแต่การมองเึงนด้านบวกของมันมันก็ช่วยได้นะยกตัวอย่างผู้หญิงคนหนึ่งจะเป็นมาเร็ง แล้วมเะเรที่เธอเป็นเนี่ยมันต้องใช้การฉายแสงการฉีดเค ม, ม ท, ที่แรงมากซึ่งคนส่วนใหญ่จะแพ้นะฮะแต่เธอเนี่ยไม่เป็นอะไรเท่าไหร่คนก็สงสัยว่าเธอมีอะไรดี เ, อเธอบอกเธอก็ไม่มีอะไรดีแต่เธอนึกในใจนะว่าเวลาฉายแสงเนี่ยก็กําลังได้รับแสงสวรค์เวลาฉีดคีเหมืนเ ค, เคมีบำบัดก็กําลังได้รับน้ําทิ้ง นะพอเธอคิดว่ากำลังได้รับแสงสว่างกำลังได้รับลมทิศเนี่ยจิตใจเธอก็ยอมรับสิ่งที่รังสีที่เข้ามาได้สารเคมีที่เข้ามาได้พอร่างกายพอจิตใจมันยอมรับร่างกายก็ยอมรับไปด้วยการแรพ้ก็เลเกิดขึ้นน้อยอันนี้เราปรุงแต่งทางบวกใช่ไหมฮะคนนี้ถามว่าคําถามแรกเรื่องโลภะโทสะโ ม, มหะเนี่ยก็ใช้สติสมาธิและปัญญาช่วยได้นะ เช่นเวลาเกิดโลภะทบกเช่นเวลาเกิดความโกรธยุขยาโกรธมากๆนี้อาจิตมาอยู่ที่ลมหายใจหายใจเพื่อลืมหายใจายาวๆพอจิต เ, เนี่ยมันไม่ไปคิดถึงเรื่องที่เราโกรธคนที่กั่นแกล้งหลังแกเราไม่นึกถึงค่อยคําที่เขาพูดเนี่ยความโกรธก็จะหายไปเพราะจิตมันมาอยู่ที่ลมหายใจมันก็ไม่คิดต่อใช่ไหมฮะโลภะก็เหมือนกันนะ เพราะโลภะมันก็เป็นมันก็เกิดมันเริ่มต้นจากความคิดยกตัวอย่าง เ, เช่นเราเห็นคนอื่นเขามีแต่เราไม่มีเราก็อยากได้ใช่ไหมครัไอความคิดเปรียบเทียบมันทําให้คนเราเกิดความทุกข์เพราะโลภะไม่พอใจในสิ่งที่มีไม่อยในสิ่งที่ได้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจหรือไม่เราก็มีสติรู้ทัน ให้ความโกรธให้ความโลภที่มันเกิดขึ้นหรือมีสติรู้ทันว่าก็อย่าไปปุงแต่งนะเพราะถ้าปรุงแต่งแล้วเนี่ยนะมันทุกข์มันอยากได้มันอยากมีอยากเพิ่มมีเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วสติกับสมาธิมันช่วยได้นะในเรื่องโลภะโทสะโมหะเพียงแต่ว่าอาตมาไม่พูดในวันนี้เพราะว่าเราเราพูดเรื่องคนป่วยใช่ไหมฮะเราไม่พูดคนปกติใช้ได้ปัญญายิ่งช่วยเข้าไปใหญ่ปัญญาที่มันเห็นแล้วว่า ไอ้มันไม่มีเราไม่มีของเราแล้วจะโกรธได้ยังไงนะฮะไอ้ที่โกรธเพราะามันยังมีตนะัวมีตนอยู่นะครับแต่ถ้าเราเนี่ยนะมันไม่มีตัวไม่มีตนหรม่มีความยิ่งใหในตัวตวนวเนี่ยนะไม่แถภาพลักไม่หวงภาพเราเนี่ยใครจะพูดยังไงเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหใครดา่ามายังไงก็ไม่โดนตัวเพราะว่ามันไม่มี ต, ตัวตนอย่างครูบาอาจารย์หลายท่านเนี่ยท่านไม่มี ต, ตัวตน ตัวตนถ้าบาวางมากอย่างที่สมายยุชอย่อยุติยานเนีผมพ่อประสิทธิาวโรกับท่านเดชปริ์ท่านไปสร้างวัดท่านไปสร้างวัดท่านเดชปไปที่ที่เก่อสีชังนักเลงท้องถิง่นนั่งกอใจมากพยายามแกล้งท่านด่าว่าพระด่าว่าท่านบางทีก็เดินมิทธบานถ้าเดินมิทธบานก็เดินชนจนกระทั่งบาดตกมีวันหนึ่งหลวงพ่อประสิทธิ์ท่านเดินผ่านหน้าบ้านของหัวโจคนหนึ่ง หัโจกก็นั่งเห็นพ่อสิทธ์มาก็ถือว่าโชคมาแล้วได้โอกาสก็ดา่าหลพ่อสิทธ์เนี่ยแทนที่ท่านจะโกรธแทนที่ท่านจะทําหูทน ล, ลมท่านเดินไปหาผู้ชายคนนั้นยิ้มแล้วก็จับแขนเขยา่ามึงว่าใครมึงว่าใครไอ้มนั้นก็บอกว่าก็ว่ามึงนะสิท่านยิ้มแล้วแล้วไปที่แท้ก็ด่ามึงดีแล้วอย่าดา่ากูแล้วกันนะ ไอ้แม่งงอยู่ตรด่าใครวะคุซาดาหลวงพ่อนะแต่ว่าหลวงพ่อไม่เจ็บไม่ปวดเพราะว่าอะไรด่าเท่าไหร่ก็ไม่โดนตัวท่านเพราะท่านไม่มีตัวตนใช่ไหมฮะหรือตัวตนท่านเบาบางมากเพราะอหลรเพราท่านมีปัญญาเห็นว่าไอ้ตัวกูของกูมันเป็นแค่มายาธาไอ้ที่ที่ด่าแล้วที่ถูกด่าแล้วทุกเนี่ยก็ยังมีตัวตนอยู่ใช่ไหมฮะยังมีความคิดบ้าในตัวกูของกูคิดอยู่เสมอเขด่ากูก็ด่ากู นี้ข้อสองเรื่องกายและจิตเนี่ยนะถามว่าโนรวรัทธมีจริงไหมตอนแรก็เชื่อว่ามีนะแต่ว่าจะไม่มีอย่างที่เราทุกข์ภาพก็คืออยู่บนฟ้าหรือว่าอยู่ใต้ดินแต่จะเป็นสภาวะถามว่าอะไรที่ที่จะถูกอะไรที่จะได้เปิดกระทบก็คือจิตหรือวิญญาณนะถ้าอยู่ในภาวะที่ดีก็เรียกว่าสวรรค์ถ้าอยู่ในภาวะที่เร็วก็เรียกว่านรกส่วนกายเนี่ยมันคืนสู่น้ำไฟลงไปแล้วนะ ทุกอยาเป็นนัตตาหมหมายความว่าอนัตตาแต่ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหมายความว่าเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยนะจะตายได้ก็เพราะมีเหตุมีปัจจัยถึงตายได้และคําว่าความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมมติ ด, ด้วยเพราะว่าทุกวันมันขึ้นอยู่นิยามว่าแค่ไหนจึงเรียกว่าตายคนที่หมดลมแล้วฟื้นขึ้นมาในในสองวันต่อมาถือว่าเขาตายหรือยังบางคนบอกว่าตายแล้ว แต่วมดลมยังไม่ตายใช่ไหมแล้วระาั่งว่ า, าความตายเนี่ยก็ยังเป็นสมมติเพราะว่ามีนิยามที่แตกต่างกันใช่ั้มในทางศาสนาเนี่ยมองว่าหมดลมยังไม่ตายทางการแพทย์บอกหมดลมกัวใจหยุดเต้นส ม, มองตายถือว่าตายแล้วพูดบอกยังไม่ตายสมบูรณ์เพราะจิตยังไม่แต ก, กแต่างเพราะนั้นคําว่าความตายเองเนี่ยมันก็เป็นเป็นเป็นสมมุติและเมื่อเป็นสมมุติก็คื อ, อนักตาก็คือว่ายัาง ขึ้อยู่กตุปัจจัยต่างๆมากมายอา น, นันตตาบอกว่าไม่มีตัวตนของมันแต่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยเป็นคําสมมุติที่บอกว่าไม่มีตัวตนคือกว่างกว่าตัวตนเพือ น, นี้อันนี้เรียกว่าอะไรครับคำปั้น่นะฮะําปั้นมีตัวตนนะฮะหายไปแล้วกําปั้นก็คือคําที่ใช้เรียกมือที่รวเข้าหากันกคำปั้นคือคําที่ใช้เรียกนิ้วมือที่รวเข้าหากัน แต่ตัวตนกำปัป้นไม่จริงเพราะถ้ามือคลี่ออกกำปั้นหายไปแล้วนี่แหละเรียกว่ากำปั้นไม่มีตัวตนคือว่างเปล่าจากตัวตนมันเป็นแค่คําที่ใช้เรียกมือที่ร่วงพาหากันบ้านรถยนต์ก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันสมมุตินะคทอาน ตอแต่งปันือว่าแต่งปังแต่งปัได้ต่งงก็สด้ติดีินทุกทั้นช่วงที่สามารถถามแล้วก็แบ่งปังแรกๆหรือานคบถามชักคัดขอบคุณนะคะที่้อการได้มาสู่แชร์นะคะก็ตัวอ๋เองนะคะเป็นในปัจจันขั้นที่สี่นะคะก็คือเป็นขั้นแรกๆของขั้นสี่ก้อนนึงก็สิบเซนสก้อนนะคะหรือก้อนตั๊ แล้วก็คิดว่าจะไม่มีโอกาสหายเพราะคุหมอบอกว่าผ่าตัดไม่ได้นะคะตอนนั้นก็จิตจิตตกมากเพราะฉะนั้นจะบอกทุกทุกท่านว่าธรรมะเน่ยนะคะบำบัดความป่วยด้จริงหรือป่านะคะตัวดิฉนันเป็นคนที่เป็นโรคมาเองแล้วก็ใช้เหลนทางนิบาศเคลื่อรอบท้างแน่นอนนะคะก็จะบอกว่ามันบำมัดได้จริงๆนะคะและวันนี้เนี่ยจากวันที่ผ่าตัดเมื่อปลายเดือนมีนา นะคะวันนี้ก็สามารถที่จะแข็งแรงได้ข่าตัากด้วยเพราะจริงๆแล้วคุณหมอใส่หัวแล้วก็บอกว่าให้กีนยาสารพินแล้วนะคะแล้วคุณหมอก็มานั่งดูว่าเอ๊ะเอ่อ T A T E ฉีดตรงข้าตัดกถึงแรกเนี่ยนะคะมันไม่ยุบแต่ก็ไม่ทําให้เตาพุ่งก็น่าจะมีฟีดแบกที่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยหยุดสารไม่ให้เรากีนยาสาพรพิมแล้วนะคะเดี๋ยวกินแล้วมันจะเล็ดหนีงอปากบวมตัว ยุดเลขหมดนะคะก็เลยไม่ได้เขีนไปไปเรียนเพราะเข็บที่สองเนี่ยมันก็ยุบทีนี้ถามว่าช่วงที่ยุเนี่ยนะคะเข็มที่2องคือเดินทางเด็ใช้วิธีของการฟัมเทปเทปของท่างเสีงแล้งก็ฟังเราฟังทุกท่านเลยที่คนไปเยี่ยมทยที่โรงพยาบาลเอาทุกท้าทุกองมาให้เราฟงหมดนะคะได้ฟังทุกท่านเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องสวดมนต์แล้วก็ทาสมาธิ นะะแล้วก็บอกไปเองที่เมื่อกี้พระท่านในสาทก็บอกว่าเราอยากไปตรงแต่งนะคะงั้นท่านใจที่เป็นมาเลอยู่ว่ามีโรคภัเนี่ยไปยืนตรงนี้แล้วบอกได้เลยว่าอย่าไปกลัวเพราะตอนนั้นเนี่ยคิดลายแน่ๆตายโดยแบบที่ชาย่เตรียเตรียมว่าอีกสักไม่อีเลยก็คงไม่จากกันจบกันแน่นะคะตัวเราเองก็ตรงแต่นะคะตอนนั้นรูแต่งคือนอนอยางมุดจะเกรงนะคะเกรงตาแข็งแล้วก็คิดอยู่ตลอดว่า จะวิยาทีไหนทุกวิยางจะถูกกับชาตออกไปจะตายตรงไหนจะตายยังไงแล้วก็งานศพตะจัดยังไงยังไม่ได้จรดเลยนอนอยู่แต่บนเตียงนะคะทีนี้ก็อย่างที่เรียนพจ้าคือเราใช้เรื่องของการสวดมนต์แล้วก็ด้านสมาธิง น, ในั้นวันนี้ทีกท่าที่ได้แหนังสือของเอ๋อเนี่ยค่ะนะคะขอให้คือจริงๆไม่ไม่เคยเขียนหนังสือแล้ก็ไม่ได้คิดจะเขียนนะคะแต่ประดีคนรอบข้างบอกว่าอุ้ยโธอเป็นมะเร็งตับคั้นี้น้อยคนนะที่จะออกมา เดินเหงืผพู้จาได้เนี่ยก็ส่วนใหญ่พอเป็นปั๊เนี่ยหนึ่งครึ่งปีหนึ่งปีก็เสียชีวิตบนลงเต็มคนไข่นั่นแหะคะ่ะทีนี้พอเราออกมาอย่างนี้ได้เราก็เลยอยากจะเขียนข่ายทอดประสบการณ์นะคะคือแค่แค่เป็นโรื่อหอนึ่งประสบการณ์จากเราที่ประสบจริงเพราะว่าตอนที่เอกเป็นเนี่ยบอกกับตรงก็ไม่มีใครมากระทำที่เทศเราไม่มีใครบอกว่าเราเจออาการชเองอย่าง น, นี้เดี๋ยวขีโมเเนเสื่ออาการอย่างไม่ไม่ค่อย ม, ม, ม, ม, มีใครมา่า แล้วเราอ่านมาก็จะมันเทสไม่เหมือนเรางั้นเราก็เลยคิดว่าการเขียนไถ่ท่อดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่อยากจะให้กำลังใจผู้ป่วยปะเด็นนะคะว่าจิตถ้าจิตเราแข็งแรงเพอวันหนึ่งที่เราเราิ่มกลับมาคิดได้ด้วยมุมแตกแล้วเราอยู่แล้วเราก็คิดอย่างที่คุณหมอเมื่ช้าก็บอกว่าดีลกับอารมณ์ได้แล้วก็คุยว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ตายไม่เป็นไรเพราะว่าเขาคงให้อายุเรามาเท่านี้เราก็ใช้เวลาทุกๆวัน บนเตียงของเราตอนนั้นเนี่ยนะคะให้มีความสุดที่สุดจนคุณหมอมาบอกว่าอ่ะผ่าได้แล้วนะหรือว่าคุณหมอเขาก็ยังปวดทื่อนะคะว่าก้อนใหญ่ยี่สิบเซนแล้วามที่มาออกจากนอกตักขึ้นมาบริสุทธิ์เลือดดำแกนที่มันจะเลี้ยวซ้ายแต่เลี้ยวขวาใช่ไหมคะมันจะเลี้ยวไปทําขอบขึ้นปอดขึ้นไปห้าเซนแล้วเชื่อไปทฮะไม่เลยมันต่อกลุ้มเลือดไหลล้คุณหมอบอกว่าจำได้เขาบอกให้เราทำเขาบอกว่าแล้วแล้วเขาก็ให้คุณหมอ ในอะรนะแล้วเ็นแพทย์เนี่เข้ามาดูที่เราผ่าตัดด้วยว่าเคสที่ก้อนใหญขนาดนี้ต้องผ่ายังไงก็เป็นพิกิตที่หมอก็าจะให้เปียนแพทย์เข้ามาเรียนในห้องนะคะก็อันนี้ก็เคยอยากจะแชร์นะคะว่าสรุปก็คือว่าเรื่องของจิตนะคะอย่าปรุงแต่งแล้วก็ใช้สมาธิกับการสวดมนต์ช่วยบำบัดได้นะคะแล้วก็เราคิดในสิ่งที่ที่เรารักมีความรากใคร่ที่ประชาคุอเพียนหรือพูดก็จริงนะคะ เราเอกถึงตอนช่วงที่เราได้พยาบาลทาเจ็บวคพ่อคุณได้เสียชีวิตไปโลไปเลยนะคะเมื่อ5ปีที่แล้วที่เี่ตอนนั้นเลถึงที่ว่าได้ลยว่จะตายตกตะกอนกันเรากแล้วก็เลยคิดว่าเราเอกถึงความที่เราได้กระยูเราเอกถึงความดีที่เราทาเราได้ทำดีใส่ใจมันจะทาให้เรารู้อึกว่าถ้าเราจะไปเราไปอย่างสงบนะคะนะคะตรงนี้ก็เลยอยากะนนะคะขอบคุณ การ ต, ติ่อทางสยาคะมีรแตกกไหมคะจะเป็นผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู่ป่วยหรือจะมีคำถามรากษารับเช่นครับมีคำถามถามมาบ้างครับคื อ, อที่ภกักษาบอกว่ายัาโกรธ อ, อย่าควรอย่าโกรธคือกลุ่มผมเป็นเพื่อการตายไปเ์เนอร์ ที่เราสองคนล้วครับคือไม่กินเหล้าไม่สุบุหรี่ออกกำลังกายกันทุกอยานทาบุญครับไป้อดวัดทาบุญตลอดทินอาหันน่ดีๆตรงนั้นเลยครับเพราะว่าเช้ามาก็ผลไม้ผลไมยไม่มีกะแฟไม่มีอัลกิแนงไม่มีโกลไม่มีเติีแต่อยู่บอกว่า6กเดือนอยู่ในแค่นี้แล้วก็เสร็จิแล้วเราสทาก็ทาให้ผมนึกในกลุ่มเพื่อนเขาบอกว่าเออไอที่ทาความดี เนี่ยทั้งกินอาหารอะไรเนี่ยเขา อ, อ, อกโอกรธไม่ได้ครับว่าเราทำดีกันหลังนี้นทำไมจึงเป็นมะเร็งตายเดี๋ยวว่าแต่คนที่ถือสิลห้าเลยนะพระถือศีลสองยี่สิบเจ็ดก็ยังเป็นมะเร็งตายนะพออาระอรหังพระยศเจ้าที่มรณภาพเป็นมะเร็งก็ไม่น้อยนะคือ ทำความดีดีแล้วแต่ให้มองเห็นความจริงเห็นสัจธรรมของชีวิตด้วยทําความดียังไม่พอนะวิจิงที่ความดีมันเนี่ยมันเป็นกําแพงที่กั้นความทุกข์ได้แต่ไม่สามารถจะกั้นได้ร้อซมันกั้นความทุกข์ได้แค่เจ็ดสิบปดสิซยังมีความเพิ่มอีกยีที่สามารถจะข้ามกําแพงความดีเข้ามาถึงตัวเราได้แต่ว่าเราสามารถจะสร้างกําแพง เพื่อกันให้มันเข้ามาถึงใจเอาได้กำแพงนั้นเนี่ยเกิดจากการเห็นความจริงว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครที่ลดจะกความแก่ความเจ็บความตายได้ไม่มีอะไรที่เป็นของเราถ้าเราเห็นความจริงตรงนี้เนี่ยนะเราก็จะไม่ทุกข์นะเราก็จะไม่เสียใจ เมื่อสี่สิบปีห้าสิบปีก่อนเนี่ยมันมีไฟไหม้ใหญ่ที่นัมบุรีมีบ้านเรือนนับร้อยหลังถูกไฟเผาผลาญผู้คนนับพันสส้นเนื้อปดาตัวก็มีหลายคนเนี่ยเป็นทุกข์มากแล้วก็มามาต่อว่าไม่ใช่มาต่อว่ามา มีโยมคึงก็มาไล่ฟังว่าเนี่ยมีคนหนึ่งเนี่ยนะแกบอกว่าเนี่ยตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ทำบุญทำกุศลมาตลอดถึงรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ทำบุญใส่บาตรไม่เว้นถึงรุ่นแกเนี่ยแกก็กระถิ่นท่อพระขาก็ช่วยทำไมจึงเกิดเหตการแบบนี้ทำไมบุญไม่รักษาทำไมไม่ทำมาธรรมะธรรมะไม่คุ้มครอง ต่อไปนี้ฉันไม่เข้าวัดแล้วฉันไม่ทำบุญเข้เขามากปา่ารูกให้หลวงปู่มึนอตุโลนะท่านอยู่วัดบรุรพารามท่านไปรู้สึกเรื่องแรกของหลวงปู่มันหลงูท่านตอบว่าไฟมันทำหน้าที่ของมันนะและท่านอธิบายว่าความเสื่อมความวิบัติความอันตรธ า, านความกระพร่าเป็นธรรมดาโลกแต่นะไปคิดว่าธรมะเนี่ย จะไปคิดว่าความดีเนี่ยนะมันจะป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นถ้าบอกว่าคนที่ปฏิบัติธรรมหรือฝ่ายธรรมเนี่ยนะเมื่อภาวะช่นนี้เกิดขึ้นจะต้องวางใจให้เป็นนะต้องคิดว่าทํำยังไงจึงจะวางจึงะรักษาใจไม่ให้ถูกได้ตรงนี้เป็นหน้าที่ของธรรมะธรรมะไม่ได้ช่วยทําให้ไม่หิวไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายไฟไม่ไหม้ไม่ใช่แต่ธรรมะช่วยทําให้ใจไม่ทุกข์เมื่อ ประสบกับภาวะเหล่านั้นนะทําดีก็ยังต้องเจอกับความสูญเสียเกิดความพลัดพร้าใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณเห็นความจริงเห็นสัจธรรมเนี่ยใจไม่ถูกข์เพราะฉะนั้นะนะเนี่ยอย่าทําแต่ความดีต้องเห็นความจริงเห็นสัจธรรมว่าแก่เจ็บตายพลัดพร้าเป็นธรรมดาของชีวิตเป็นธรรมดาโลกนะแล้วถ้าคุณอยู่ตรงนี้เนี่ยนะ ถึงแม้อายุจาไม่มากก็ไม่ทุกข์กลับสามารถจะใช้ความตายให้เป็นประโยชน์ในการยกจิตยกใจให้สูงขึ้นหลายคนเขาสูญเสียครับพักร่างแต่เขาวางใจเป็นมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นช่างไฟฟ้าโดนไฟฟ้าช็อตที่ขาไฟฟ้าแรงสูงขาขาดสองข้างพิการตลอดชีวิต ไม่นานต่อมาภรรยาก็ทิ้งคุณลองคิดดูนะผู้ชายเนี้อจะทําบุญมาตลอดแต่เสียขาและเมียทิ้งอีมนี่คนไปถามผู้ชายคนนี้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรที่เมียทิ้งไปแกบอกว่าผมไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะแม้แต่ขาของผมแท้ๆมันยัไม่อยู่กับผมเลยแล้วจะให้เมีย อ, อยู่ผมได้อย่างไรใช่ไหมเมื่อแกเสียขาแกไม่ทุก แทนที่จะวุว่ยวายตีโพยตีพายแกกลันแกกับได้ปัญญาว่ามันสอนให้เราเห็นว่าขาก็ไม่ใช่ของกูขาของกูเท่ากับหนุ่ก็ไปแล้วเห็นตรงนี้เนี่ยแม่ยืนทิ้งก็ไม่ทุกเพราะฉะนั้นเนี่ยทําความเจริงยี้ไม่พอนะฮะคุณต้องฝึกใจเปิดใจใหเห็นความจริงโดยเพราะความจริงระดับทื่ว่าทุกอย่างมันไม่เชี่ยมเป็นทุกไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราเขไม่ใช่ของเราถ้าคุณเห็นตรงนี้เนี่ยนะ เจออะไรใจก็ไม่ถูกอาารยขอนค่ข้อยกฐาเรื่องจิตประสบการณ์ห่งนะคะเมื่อายแกพินาศแล้วก็จะกิแตกจิตที่ทาารยบอกว่าจิตจะเป็นผู้ที่ไปอารมณหรือสวรรค์ต่างกี้่ดีครนี้จิตที่ แต่ดับที่อาา์ติดเอาไว้เมื่ครู่ค่ะจิตที่แตกดับเนี่ยเป็นเป็นแง่การยังไงคะอัจิตมันจิตจริงๆมันเกิดดับตลอดเวลาอยู่แล้วนะบางคนตามตำราเขาว่าจิตมันแตกดับหนึ่งวินาทีเนี่ยแสนโกรธครั้งก็คือล้านล้านครั้งธรรมชาติจิตมันแตกดับอยู่แล้วทุกเวลาร่างกายเราก็แตกดับทุกขณะนะความตายเกิดขึ้นกับร่างกายเราทุกวินาที ทุกวันเนี่ยเรามีเซลล์ในร่างกายเอกตายเนี่ยห้าหมแสล้านเซลล์อย่างน้อยนะเนื่องจากชีวิตใครที่เรามีชีวิตเนี่ยร่างกายมันมีความแตกต่างอยู่ตลอดเวลาแต่มันความทีจะน้อยกว่าจิตแต่ครั้นี้เนี่ยพอพูดถึงว่าจิตแตกต่างในที่นี้มันหมายถึงว่าจิตที่มันอยู่ในภพเดิมเนี่ยมันมันดับจากภพเดิมแล้วมันไปเกิดในภพใหม่นะอันนี้เรียกประสมที่วิญญาณประสมที่จิตนะถามว่าเป็นยังไงตามาก็ไม่ทราบนะ แต่ว่ามันก็เกิดดับเกิดดับอย่างนี้แนหะเหมือนกับไฟดีออนที่มันเกิดดับเกิดดับเนี่ยนะแต่ลองที่มันดับเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะดับสืบไปเลยนะเพราะว่ามันก็จะเกิดใหม่และคุณภาพของจิตก่อนที่จะดับเนี่ยมันก็จะถ่ายทอดสู่จิตขณะใหม่ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นการถ่ายทอดคุณภาพของจิตเนี่ยไปเป็นลําดับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญคือว่า มันเป็นธรรมชาติของมันนะแต่ว่าเจดี้ฝึกได้พัฒนาได้นะเหมือนตันร่างกายของเราที่ฝึกได้ให้แข็งแรงให้มีคุณภาพให้มีพลังงานใหม่ก็ทำได้ ร้นานนรัสกาท่านอาจาค่ะอจขออนุญาตินด่ามว่าสำหรับผู้ป่วยที่ไม่เคยการฝึกหรือว่าได้เปเ ร, เรียนเลหรือนเรื่องของมา ก, ก่อนนะคะเราจะมีีที่จะอธิบายหรือจะบอกให้ยอย่างรโดยเอย่างนี่ถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยให้เข้าใจในรเรื่องของการเป็นตัวฝึกหรือเรื่องของการฝึกจิตเงียค่ะของผ ใหม่ๆอาจจะช่วยทำช่วยช่วยน้อมนำจิตของท่านให้เป็นกุศลให้เป็นจิตที่ที่ดีงามก่อนนะก็เช่นว่าการที่เราทำดีกับท่านนะการที่เราชวนให้ท่านเนี่ยนะได้ทำความดีได้ทำบุญได้นึกถึงสิ่งที่ดีงามนะท่านก็จะเริ่มเห็นว่าไอ้เวลาเวลาเราทำความดีเวลาจิตน้อมไปทงกุศลเนี่ย มันสบายมันหายปวดใช่มเวลาเวลาเครียดขึ้นมาเนี่ยลองลองห า, ายใจเข้าหายใจออกสักพักห้านาทีหรือ 2, สองสามนาทีอยู่แล้วท่านแล้วก็เชื่อท่านเห็นว่ามันเป็นยังไงคือทำให้ท่านเห็นจากของจริงโดยการที่เราค่อยๆน้อมใช้อุบาย ที่เข้าใจง่ายอันี้พอท่านเห็นว่าเออมันมันแตกต่างกันนะเวลาปล่อยใจฟุ้งซ่านกับเวลาเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจหรือว่าเวลาใจที่ถึงความดีทําบุญทากุศสลส่วนคนเนี่ยเออมันจิตมันผ่อนคลายนะก็เคยพูดถึงว่าเออเนี่ยจิตที่มันมีประโยชน์นะจิตที่มีสำคัญนะกายป่วยยังไงแต่ถ้าจิตเป็นกุศลเนี่ยมันก็ทําให้หายปวดนะ มีตัวอย่างเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยเอคุณยายแกปวดเป็นมะเร็งที่กระเพาะหล้วแกก็ร้องครวญครางนะพยาบาลมาเนี่ยแทนที่จะถามว่ายายป่วยกี่คะแนนพยาบาลก็ถามว่าในชีวิตที่ยายทำแล้วแล้วมีความสุขมากที่สุดยายก็บอกว่าหล่อพระพยาบาลก็ถือโอกาสเลยถามยายยายจำงได้ไหมว่าวันวันนั้ น, นยายใส่เสื้อเสียอะไรนุ่งผ้าเสีอะไรพยาบาลเธอจําจได้หมด คุณยายอะแม้ผ่านไปสิบปีแล้วโรงพยาบาลก็เลยทโอกาสชวนให้แกคุยเล่าแกก็ภูมิใจกับการที่ได้หลอพระก็คนณีสานเนี่ยนะเรื่องหลออพระเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นมหาบุญชนชวนคุยประมาณสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีคุยเสร็จแกพูดขึ้นมาเลยหมอแกเรียกพยาบาลหมอวแปลก น, นะมันทายปวดไปเยอะเลยนะตรงเนี้ยถ้า ถ้าประเด็นคุณก็คือว่าถ้าเป็นพยาบาลก็อาจจะถามนะว่าโอเนี่ยนะพอใจมันนึกถึงหลอ่อพระเรื่องบุญกุศลมันดีใช่ไหมก็ชวนทําชวนนี่ก็เห็นว่าหนึ่งใจสําคัญถ้าใจดีใจกุศลเนี่ยนะให้ความปวดให้มันทุนเลาอคนที่ก็ชว น, นเออจะทํายังไงใจดีใจกุศลนึกถึงบุญกุศลสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ชวนทําสมาธิภาวนานดนิเด่นหน่อยใช่ัหม คือสูงคือว่าต้องค่อยๆน้อมให้เห็นของจริงว่าเมื่อใจดีใจกุศลแล้วเนี่ยมันดีจริงนะความทุกข์มันทุเราและจากจุดนี้แหละจากประสบการณ์ที่ท่านเห็นด้วยตัวเองเนี่ยเราก็จะพูดถึงว่าเออจิตมันฝึกได้นะนะชวนทําสมาธิชวน ท, าทําอะไรที่มันทําให้ใจสงบใจสบายนะเริ่มตัวเนี้ยเขาจะค่อยไปนะไปสู่แนวที่ทําให้ เห็นความสำคัญของการุรกเจมากขึ้นขออนุาคถาสุดท้าย่ใดอีกถามยกม้นรั้วาขออนุญาตค่ะกล่าวคำพิสิกาอาจารย์นะคะกรณีท่านผู้ป่วยเป็นคนที่นับถือศาสนาอื่นไม่ใช่ศาสนาพุทธนะคะ ผู้ตวดเป็นคนที่นักถสนอศาสนาอื่นไม่ใช่ศาสนาพุทธพีะะ่สาวค่ะเดินเคยนักเสนอศาสนาพุทธตัวอย่างเก็เป็นคริสเตียนครั้งนี้เราจะน้อมเขายัางไงนะคะในเรื่องของให้เขามามีจิตที่เกี่ยกับการปฏิบัติภาวนานะคะ่ะเราต้องรูปภาษาของเขา อัตอมาก็มีหลักอยู่นะแล้วก็พังแนะนําให้คนที่ป่วยในพระรีสุดท้ายเนี่ยได้เวลาใครดูแลได้อยากจะแนะนําคนที่ป่วยเรียสุดท้ายเนี่ยก็จะให้เขาถือหลักอยูสองอย่างหนึ่งนึงถึงพระสองละทุกสิ่งน้กถึงพระที่จะเป็นพระรัตะนตรยัยแต่จะเป็นพระอัลลอฮ์ก็แต่จะเป็นพร ะ, ะพระเจ้าก็ได้นะสุดท้ายแต่เขานับถือหรือเขารู้สึกเชื่อมโยงกับาศาสนาอะไร ถ้าไม่ถาไ ม, าไมเชื่อมโยงศาสนาเราก็นึกถึงความดีคราวนี้เนี่ยในอันนี้พูดถึงกรณีที่เป็นผู้ป่วยสุดท้ายเนี่ยจะเป็นนักถือาศาสนาอะไรเนี่ยเราก็เราก็พูดภาษาของเขาใช้ความเชื่อของเขาเนี่ยเป็นตัวที่นําใจใ ห, ให้ให้ไปสู่ความสมบงบรวมทั้งการปล่อยวางด้วยแต่วันนี้เ้าก็ยังยังเป็นผู้ป่วยที่ยังไม่ถึงขั้นระยะสุดท้ายหรือว่ายังไม่ถึงขั้นวัน ขายาตายเนี่ยอาตมาก็คิดว่าก็ทําให้ค่อยเห็นนะว่าเรื่องของใจมันสําคัญเขาจะสวดมนต์ตามวิธีการในาศาสนาของเขาก็ได้นะควนให้เขาทาบุญทําความดีก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการที่ช่วยทําให้คนป่วยเนี่ยรู้สุดดีขึ้นเนี่ยนะอันหนึ่งที่อาตมาอยากจะพูดซึ่งที่จริงพูดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนแต่ว่าคราทนี้ไม่ได้พูดก็คือว่า การชวนให้เขานึกถึงถึงผู้อื่นนะมีทีผู้ป่วยกนนึงยี่สิบเจ็ดแล้วแกเป็นลูกพุ่มพวงนะแล้วเป็นอย่างหนักนะทำอะไรไม่ได้เลยผ่าก็ผ่าไม่ได้นอนอยู่โรงพยาบาลแล้ววันนงบาทหลวงก็มาเยี่ยมตั้งศึกษาในว็นบาทหลวงแกก็ตัดพอเลยนะว่าทำไมพระเจ้าทำให้หนูเป็นอย่างนี้ บาทหลวงก็บอกว่าพ่อก็ไม่รู้หรอกนะว่าพระประสงค์ของอเจ้าเป็นอย่างไรนะแต่มีอย่างนึงที่อยากจะแนะนําก็คือหนึ่งสวดมนต์พระองค์แล้วก็ให้รูกประคำไปข้อที่สองให้สวดมนต์แล้วก็ท้าพูดภาษารพูดก็คือแผแ่เมตตาให้กับผู้ป่วยในห้องเนี้นะให้เขาได้มีความสุขให้เขาได้พ้นจากความทุกข์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยบาทหลวงก็ มีกิจต้องไปทําธุระในภาคอีสานสมัยนั้นมันไม่มีโทรศัพท์มือถือนะมันก็คือสิกว่าปีมาแล้วก็หายไปเป็นเดือนกลับมาก็ไปเยี่ยมปราก็ว่าเดียวคนนั้นเสียชีวิตแล้วก็เสียใจนะแต่ว่าที่ประหลาดใจคูอว่าคนป่วยในใ น, ในห้องนะประทับใจเด็กคนนี้มากแล้วก็เา่าาเด็กคนนี้เนี่ยนะหลังจากวันนั้นเนี่ยนะหลังจากมาที่บา้านหลวงมาเยี่ยมเนี่ยแกก็แกแ ก, แก็พยายามที่จะไปช่วย ให้กำลังใจคนป่วยใน w a r ดเดียวกันไปช่วยพาเข้าห้องน้ำไปช่วยตักน้ำเติมน้ำอะไรให้ช่วยบริการทั้งที่บางคนเนี่ยอาการบากว่าเธอเยอะและเธอเนี่ยก็มีความสุขนะและสุดท้ายเนี่ยวันที่เธอตายเธอก็ตายอย่างสงบภาพที่ภาพที่คนป่วยในห้องเนี่ยพูดถึงเด็กคนนี้เนี่ย มันตรงข้ามกับภาพที่บาหัวเนี่ยเห็นในวันสุดท้ายก่อนที่จะจากกันเด็กนี้เปลี่ยนเป็นคนละคนเน่ยปวดเจ็บแต่ว่าจิตใจช่างคือเปลกเล่าเพราะอะไรครับเพราะนึกถึงคนอื่นการที่ได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันช่วยทำให้จิตใจดีแล้วก็มีผลต่อร่างกาย มันไม่ถึงกับทำให้หายแต่มันทำให้ทุกขเวทนาความปวดมันทุนเราการนึกถึงผู้อื่นการช่วยผู้อื่นเนี่ยหรือการนึกถึงสิ่งที่เรานับถือเนี่ยมันช่วยทำให้เรามีพลังอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งในการบรรเทาหรือปล่อยวางทุกขเวทนาได้คือการนึกถึงคนอื่นมันช่วยได้เยอะนะฮะมีมีเพียงคนหนึ่งเป็นคนเชียงใหม่ อายุไม่ถึงยี่สิบหรือยีสิบต้นๆปก็ติดเชื่อชัอยจากสามีเธอไม่ปวดแผลสามีเลยเธอก็ดูแลสามีซึ่งป่วยเป็นเองจนตายก็ตายเสเธอก็เป็นไม้เธอก็นึกถึงหญิงติดเชือ้อที่ประสบชะตากรรมเดียว ก, กับเธอหลายคนก็เป็นไม้เธอก็ไปจฏิญาสาช่วยคนเหล่านั้นตอนตอนหลังเธอก็ไปแนะนําให้เขาเหล่านั้นเรียรู้วิธีการใช้ชีวิตนะ แม้เป็นแม้เป็นหญิงมากก็ยังสามารถจะทำะไรายได้หรือประโยชน์กับสังคมตอนหลังก็ไปถึงขั้นไปแนะนําผู้หญิงนะให้รู้วิธีการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยให้รู้จักเชื่อใจดีแล้วก็ไปเป็นวิทยากรพูดให้กับเด็กนักเรียนทั้งผีผู้ชายตอนหลังก็ขยายไปเป็นงานพัฒ น, นาชุมชนเพื่อช่วยทําให้คนเนี่ยเขามีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นจะได้ว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่ต้องไปขายตัวถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่ต้องไปเป็นกรรมกรในเมืองเสร็จแล้วก็ไปติดเชื่อจากในเมืองมา เธอทํามา20ปีเธอสุขภาพดีเลยที่ไม่ติดโดยที่ไม่กินยานต้านเชื้อเลยเธอไปไปมีอาการวิทยาการาไปพูดตามที่ต่างๆมากมายออกโทรทัศน์ขึนเยอะมีคนถามเธอว่าพี่ทํางานนานแบบนี้ยทํางานเยอะแบบเนี้ที่ไม่กลัวป่วยอ๋อที่จริงเขาคงอยากจะถามพี่ไม่กลัวตายอ๋อเธอตอบว่าถ้าพี่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยพี่ป่วยไปนานละ การที่คนเรอเนี่ยนะคิดถึงผู้อื่นเนี่ยนะมันเป็นกระตุ้นเมตตากรุณาให้ให้งอแ ง, งในใจแลแ้วเมตตากรุณาเป็นกุศลนะฮะมันมีผลต่อชีวิตมันมีผลต่อภูมิต้านทานมันมีผลต่อระบบต่างๆในร่างกายของเรามันทําให้ภูมิต้านทานร่างกายเราเข้มแข็งขึ้นแล้วปก็คงยังมีส่วนทําให้เชื่อชีวิตที่ในตัวเธอเนี่ยมันไม่ลุกลามและการที่ถึงผู้อื่นเนี่ยมันเป็นโอสถนะเป็นธรรมโอษฐ์มันคือความเมตตากรุณาท่นเอง อันนี้วิธีหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาทุกขเวทนาและปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นอกุศลก็คือการนึกถึงผู้อื่นการช่วยผู้อื่นนะแล้วไอ้การที่ถึงตัวเราหรือความมุนส์ทมาในตัวกูของกูก็จะน้อยลงและเมตตากรุณาเนี่ยมันจะทำให้สุขภาพร่างกายเราก็เตื้องขึ้นนะอาจจะแนะนำน ะ, ะพี่สาวให้ลอง ทำแบบนี้ดูบ้างนะต้องดูจากการฝึกจิตใช่การทำสมาธินะการฝึกสติสร้างความรู้สึกตัวนะอันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับหลายคนตวนึ่งกันกราบมาสการพระมโยมขอกบโยมเป็นเพิ่งจบการรักษาจากมริงต้อนมระยะที่สา แล้วก็มีน้องที่มดลูกด้วยแล้วก็ข่าตัดเต้านแล้วก็มดลูกและนลังไ ข, ข, ข, ข, ข, ข, ข่ในเดือนเดียวกันห่างกันเพียงสิบวันค่ะต้องกราบขอพระคุณค่ายารเป็นดั่งศูน์ที่ค่ายการได้ให้ปัญญาโดยการมิเพื่อนเนี่ยเอาหนังสือมาให้แล้วบอกว่ า, าในหนังสือ ย, ยงจำได้อยู่แค่ประโยคเดียค่ะว่า ร่างกายของเราอ่ะไม่ใช่อะไรร่างกายเราไม่ได้เป็นอะไรแค่ต้องนมเราเท่านั้นเองที่เป็นเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นต้นมาก็เลยทำให้ยยมเนี่ยบอกตัวเองว่าแค่ต้องนมเท่านั้นเองรักษาตัวเองหรหารเพราะฉะนั้นต้องกราบขอบพระคุณพระสารคุงที่ได้ให้ลาและของที่โยมได้นนี้และที่จะโืเสียด้ก็คือ ผู้บริหารบริดีคะุ่มขนมหน้านะคะคือเนื่องจากว่าที่น้าหนัได้เต็มแล้วแล้วคุณเป็นมหน้าก็ได้จองให้แล้วค้เจอว่สินสรดวันนี้ถึงไม่มาเอปัขอคุณด้วยหาีในสุ่ะมาก็แนะนาหลายคนนะว่าคุณไม่ได้คุณไม่ได้เป็นผู้ป่วยมะเร็งนะคุณไม่ได้เป็นมะเร็งนะคุณแค่มีมะเร็งในตัวนะ ตางกันมากนะเราเป็นมะเร็งกับมีมะเร็งในตัวนะถ้าเป็นมะเร็งคือมะเร็งคือทั้งหมดของเราแต่ถ้ามีมะเร็งในตัวคือว่ามะเร็งเปมีแค่ส่วนหนึ่งแล้วอยากให้มองไปด้วยว่าส่วนหนึ่งของเรายังดีอยู่เรามีร่างกายออยร้อยที่มันเสียมันบกพร่องไปคืนหนึ่งนะอาจจะเป็นที่ต่อมนูมาจะเป็นที่ลาไส้อาจจะเป็นที่ปอดแค่หนึ่งที่เสียไปแต่อีกเก้าสิบเก้าก้าสบปดยังดีอยู่ ตายงไม่ปอดหูยังไม่นวกมือเท้ายัางไปไหนมาไหนได้ไม่สบะอย่าจดจ่ออยู่แต่ไอ้ส่วนที่มันเป็นไปให้ใส่ใจในคุณค่ากับส่วนที่มันยังดีอยู่ที่ยังสามารถพาเรามาถึงที่นี่ได้ยังสามารถจะช่วยให้เราเก็บเกี่ยวความสุขที่มีอยู่รอบตัวไม่ว่าจะอาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะหรือว่าการที่ได้อ่า ทำสิ่งที่ชอบรวมทั้งการที่ได้อยู่กับคนที่เรารักนะใช้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเพื่อที่จะซึรซับครับเอาความสุขที่อย่าปล่อยให้สิ่งที่มันเสียไปเนี่ยมันครอบนาจิตใจของเราจนมืดบอดเหมือนกับว่าชีวิตไม่มีทางออกหรือทางตันมันแค่เสียอย่างเดียวนะอีกเก้าสอย่า ง, ยงดีอยูนะ่มองตรงนี้บ้าง อันตมาประทับใจนะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอพี่เธอกับน้องเนี่ยเป็นโรคทรัสซีเนียตั้งแต่เกิดนะแล้วก็เธอก็หมอบอกว่าทรัสซิเมลเธอมันแรงมากอยู่ได้ไม่เกิน2ี่สิบแต่กูว่าเธอทั้งสองนก็อยู่ได้30สามสิบคนกึพ่งจากไปเมื่อส5ห้าปีแต่เธอมีความสุขมากทั้งที่ร่างกายแข่งันตาโผน ต้องรับเลือดทุกประอาทิตย์ร่างกายแข็งสะดุดปอลอดล้มที่ไรขาหักแขนหักใส่เขือมาสิบกว่าครั้งแล้วคนพี่บอกว่าเนี่ยทำไมเธอมีค น, คนมีคนถามว่าทำไมเธอมีความสุขคนพี่ก็ตอบว่าถึงแม้เลือดฉันจะเลือดฉันจะแย่จะฉันมีตายสิ่งสวยงามมีจมูกดมกินหอมมีหูฟังเสียงยุไพร้องกินอะไรก็อร่อยร่างกายก็ไปไหนมาไหนได้ แค่นี้ก็มีความสุดแล้วเธอใส่ใจกับสิ่งที่ดีเธอมองข้ามสิ่งที่ไม่ดีนะและสิ่งที่ดีเนี่ยมันมีมากนะหรือคุณจะคิดแบบเด็กอีกค น, นก็ได้ตมาเคยพาคนไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลผู้ป่วยและผู้ป่วยหนักที่หันใหญ่หลังจากอวบรเชิญความใ่สงบ นะสามวันมาสุดท้ายก็ไปเยี่ยมผู้ป่วยจิตอาสาคพวื่อก็ไปเจอเด็กอายุสิบสี่ผมเธอร่วมหมดเพราะเธอเป็นมะเร็งสมองแต่เธอยิ้มแย้มแ จ, จ่มใสจิตอาสาววก็แปลกใจเด็กชวนเธอวาดรูปนะจิตอาสาววก็แปลกใจว่าทำไมมีอารมณ์วาดรูปเหือเนี่ยคุยไขึ้นมาเด็กบอกว่าหนูโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งบนลูกมียาติเป็นมะเร็งบนรูปปวดมาก หนูนโชคดีที่เป็นแค่มันเ็ลสมองนะจิดหนาสานี่อึ้งเลยเพราะว่าเมื่อคืนก่อนเธอบอกว่าเธอจําไม่ได้ว่าเธอปวดรอบสุดท้ายเมื่อไหร่มีปัญหาเรื่องชีวิตเรื่องงานการเรื่องครอบครัวแต่สิ่งที่เด็นคนนี้เจอมนันหนักกว่าเธอเออยอะอาจารย์คิดว่าถ้าว่ามีมีความคิดแบบนี้เนี่ยแม้เป็นมันเ็งมดลูกนะก็ยังสามารถที่จะบอกว่าเกิดโชคดีที่เป็นแค่มันเ็งมดลูกได้ เพราะว่ายัางดีที่ไม่เป็นนมามบนะุญอามพราดเป็นต้นนะ่คือถ้าคุณมองนะถ้าคุณมองถ้าคุณมองผูกเป็นเนี่ยนะไม่ว่าเจออะไรเนี่ยมันดีทั้งนั้นอย่างมากก็ดีที่ไม่แย่กเลยก็ดนนีนะก็อยาฝากไว้คือที่ไหนเอคือที่ ที่แน่ๆเราควรจะคิดในแง่ดีแล้วมนันมีผลมากนะคะต่อการที่จะปไปปฏิบัติทางทดีนะคะอีกข้อหนึ่งก็คือคือประสบการณ์จากคุณพ่อเราก็ได้อยู่ด้วยทีนี้นเรามคนคุณแม่เราบ้างอยากจะเรียนรู้ว้ น, น ะ, ะอีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้ามีคนสองคนคนหนึ่งเป็นคนที่ทำ ข, ของดีตลอดแต่ว่ารู้สึกผิดในบางเรื่องก็จะต่อใจอยู่ ก็พี่เจ็บกัีคนนึงที่ทําผิดตลอดได้ล้วแต่ไม่ไม่เคยเบื่อเลยแบบมีความสุขไปวันวันแต่ก็ให้อาจารย์เดบเทียบดูเท่าว่าสองคนเนี้ยคนแรกก็มีวันทีใจมาว่าเดบความรู้สึกที่ผิดไว้แต่ว่าฝ่ายเดียดไม่มีเยอะแต่คนไม่ทําความดีแต่ว่าไม่เคยสนใจอะไรเลยเด็กนะความฝังใจเขาบอกว่าตังจะฝังใจอยู่อันนี้มันฝังใจจริงไห้เทะว่าทุกสิ่งที่เราทำเนี่ยฝัง สิ่งที่เราทํากันฝังอยู่ในจิตสมนึกหรือว่าทําให้เราเกิดกรรมทั้งสองคนเนี่ยค่ะแถ้าอาจารย์ช่วยทีนะ่หน่ยเพราะว่าจำจะเป็นอย่างไงขอความกรุณทุกสิ่งที่เราทําเนี่ยมันจดจำอยู่ในจิตสํานึกเขาเรียก ว, ว่าไม่จิตสํานึกมันอยู่ในจิตที่อยู่ใต้สํานึกภาษาท่าเรียกว่าอะไรยกวิญญาณอะไรเรียกวาทีเก็บเช่นวิทยาลัยก็คือที่เก็บความรู้อะไรที่วิญญาณก็เป็นที่เก็บประสบการณ์ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา ทุกอย่างก็จะจดจงแต่ไม่ใช่ฝังนะจดจงแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะให้ความหมายมันอย่างไรยกอย่างเช่นความผิดพลาดในอดีตนะถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางหรือเอามาเป็นบทเรียนเมื่อใดที่เราเลืกถึงมันเนี้ยเราไ ม, เาไม่เราไม่เจ็บไม่ปวดเพราะเราสุบ ข, ขอบคุณที่มันเป็นบทเรียนให้เราเนียไม่ทำผิดพลาดซ้ำสองคนบางคนดา่าเราเราเจ็บแค้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป2ปีสาปีเราขอบคุณเขาเพราะเขาท <c oughs> ําทให้เราเข้มแข็งเมื่อเราเล่เาถึงเหตุการณ์นั้นเราไม่โกรธเราไม่เจ็บปวดเรารู้สึกดีนะมันต่างกันนะคือเราไม่เราไม่ลืมนะแต่ว่ามันจะมีผลต่อจิตใจรเราอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความหมายมันอย่างไรสิ่งเลวสิ่งเลวร้วายเนี่ยเราไม่ลืมแต่พอเรานึ่ถึงมาแล้วเนี่ยเราขอบคุณเพราะว่ามันทําให้เราเข้มแข็งความรู้สึกผิดเนี่ยเราไม่ลืมไอ้ไม่ใช่ความสึก ความการกระทาที่ผิดพลาดในอดีตเราไม่ลืมแต่ว่าเมื่อนึกถึงแล้เนี่ยเราขอบคุณเพราะมันทําให้เราไม่ทําผิดซ้ำอีกอัตมาอยากจะให้เราเนี่ยทำกับความผิดพลาดแบบนี้ไม่ใช่ลงโทษตัวเองโวยตีตัวเองนั่นคือความรู้สึกผิดความรู้สึกผิดกับความสำนึกผิดแตกต่างกันความสำนึกผิดเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสรุปบทเรียนเพื่อจะไม่ทําซ้ําแต่ถ้ารู้สึกผิดนี่นะมันเนจ็บช้าน้ําใจมันมันกรีดแทงใจ สิ่งที่ต้องทําคือปล่อยวางสิ่งที่ต้องทําคือการให้อภัยตัวเองสิ่งที่ต้องทําคือเอาเหตุการณ์ที่ผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนเพื่อจะไม่ผิดอีกไม่ใช่มาโมยตีตัวเองตอนนี้คนที่ทำคนที่ทำคนที่ทําผิดพลาดมาตลอดไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยเช่นไมยย่ดูแลพ่อแม่ปล่อยให้ท่านจากไปคนเหล่านี้เนี่ยคุณย่าคิดว่าเขาไม่รู้สึกนะถึงแม้วันนี้ไม่รู้สึกนะตอนจะตายอาจจะรู้สึก อาตมาเจอคนมาเยอะแล้วที่ไม่เคยไม่เคยสํานึกแต่พอจะตายมันตายไม่ได้อาตมาย่าตัวอย่างนึ่งนะขอเวลาหน่อยสักสองสานาทีอาจารย์คันชิดท่านเคยไล่ฟังว่าค น, คนลุงคุณปู่คนถึง่งแกจะตายนะแ่มาตายที่หลวงที่ที่บ้านชัยภูมิแต่แกไม่ยอมตายท่านก็เลยไปถามเอาสูตรสั้นๆ น, นะผู้ชายผู้ชายคนี้อายุเจ็ดสกว่าแล้วเนี่ย แกบอกจะมีความรู้สึกสิ่งหนึ่งที่แกอยากจะรู้ก่อนตายคือเมียของแกและลูกของแกเนี่ยคนแรกเนี่ยไปอยู่ไหนคือเมื่อห้าสิบปีที่แล้วแกแต่งงานผู้หญิงคนหนึ่งพอเธอท้องได้สามเดือนแกก็ทิ้งผู้หญิงคนนี้ไปตอนนี้แกอยากจะรู้ว่าเมียคนแรกและลูกคนนั้นตอนนี้เป็นตายและดีอย่างไรเรื่องนี้แกไม่เคยปิดปากเล่าให้ใครฟังลูกที่ดูแลแก เพิ่งรู้จักแก่ปากแก่เป็นคนแรกคำถามคือทำไมแกเพิ่มมาอยากรู้ตอนนี้ทำไมตอนที่แกยังสุขสบายดีอยู่แกไม่ไปหาเขานะเพราะไม่รู้สึก ไ, ไม่รู้สึกว่าทำอะไรผิดแต่ตอนจะตายเนี่ยนะห้าสิปีเนี่ยมันก็ไม่สายที่จะรู้สึกทุกทรมานสุดท้ายก็ต้องไปตามนะว่าสองคนนั้นเป็นยังไงกลับไปที่บ้านเกิดเพราะว่าเมียก็ตายแล้วลูกก็เป็นเอตายไม่มีใครกล้ามาบอกพ่อ อาจารย์ครัชก็ต้องมาบอกคุณคุณปู่วันนี้พอพูดไป่ทานเลยไม่ทันจบประโยคแกหันหลังให้เลยแล้วก็ร้องไห้ท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาจะคนตายไปแล้วเนี่ยจะเศร้าไปทําไมมันผ่านไปแล้วทําไมไม่ทําความดีให้เขาล่ะพอพูดถึงความดีแกกลับหันมาถามเลยบอกทําได้เลยทําได้สิก็เลยทําความดีให้ท ำ, ท ำ, ทำบุญทำกุศลอุทิศไปให้แกก็รอจนกระทั่งทำบุญอุทิศให้ซึ่งเป็นงานใหญ่พอทําเสร็จแกก็ไ ป, แ, ไปแล้วแกไปสงบ ประเด็นี้คือว่าตลอดเวลา50ปีหรือ49ปีเนี่ยแกไม่รู้สึกผิดเลยแกยังไม่ไปตามหาเี่แต่พอจะตายเนี่ยแกจิตสำนึกมั น, ม, น, ม, นมันเตือนแกว่าแกทำไม่ถูกนี่ยังดีี่ที่แกมีโอกาสเคลียร์เพราะมีคนมาช่วยให้เท่าเกิดว่าตอนที่แกรู้สึกสำนึกผิดเนี่ยแกพังงาบพ ง, งาบแล้วสื่อสาร ใ, ใครไม่ได้แล้วใครจะช่วยแก เพราะฉะนั้นแต่มไม่เชื่อนะว่าคนที่ทําชั่วหรือทําอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกรู้ษาตอนนี้ไม่รู้สึกเหมือนกับคุณปู่คนนั้นไม่รู้สึกแต่พอจะตายเนี่ยมันจะขุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์มันก่อนต้องจัดการกับมันถ้ายังมีกําลังวังชาอยู่ก็ไปจัดการไปเคลียร์ถ้าไม่มีกําลังวังชาก็ปล่อยวางซึ่งจะปล่อยวางไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งขอเข้ามาขอฮอรสิตเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นที่ตะมาเล่าเนี่ยก็ขอเข้ามาขอฮอร์สิตลูกที่ ทำแท้งนะแล้วุดแกเอาความสึกที่ออกไปจากใจได้แล้วแกก็หายคายพลครางให้ตมาคิดว่าเนี่ยอย่าอย่าประมาทนะแต่ถ้ามีความสึกผิดนะตมาคิดว่าเคลียร์จัดการนะขอาขมาเขียนจดหมายขอโทษนะและให้ไภตัวเองด้วยส่วนคำถามแรกนั้นตมาตอบไปแล้วนะนึกถึงพระแล้วก็ราทุกสิ่ง แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถจะทำไม่สามารถจะพูดให้กับคนที่เรารักได้ว่าเขาจากไปก็ต้องยอมรับว่าเราทำดีที่สุดแค่นั้นเพราะว่าเรามีความรู้ตอนนั้นเรามีความรู้เท่านั้นนะเราไม่มีโอกาสไ ด, ไ ด, ได้ได้นำติดเขาแต่เราก็หวังว่าความดีของเราการดูแลของเราจะช่วยให้ท่านจากไปสงบได้นะให้อภัยตัวเองและเอาสิ่งที่เราเชื่อผิดพลาดมาเป็นบทเรียน ปาร์ติงค่ะอ า, าจารย์นะคะเคยอ่านพบมาะคะ่ะว่าเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตลงแล้วเนี่ยนะคะในช่วงแรกเลยของการเสียชีวิตเนะะี่ยค่ะช่วงนั้นจิตของผู้เสียชีวิตเนี่ยยังสามารถรับรู้ได้นะคะมิชะนั้นคำถามแรกคืออยากเรียนถามอาจารนะคะว่ า, าตรงนี้ ไ, ไี่ทราบว่าจิตหรือเปล่าแล้วก็ถ้ามีการนำมี มีคนเนี่ยไปส า, า, ามารถดำนะคะผู้เสียชีวิตช่วงนั้นเนี่ยให้ไปในภพภูมิที่ดีเนี่ยผู้เสียชีวิตก็สามารถจะไปในภพภูมิที่ดีได้อะคะอ ย, อยาก อ, อ, อยากถามอยากถามความเห็นของพระอาจารย์โตเรื่องนี้ยคะ่ะอตาตมาเชื่อว่าใช่คือหมายความว่าคพีงแค่หมดลมหมดใจหยุดเต้นเนี่ยมันเป็นการแตกตัดทางกายส่วนจิตเนี่ยการแตกตัดทางจิตมันจะเกิดขึ้นหลังจากนั้น อาจจะครึ่งชั่วโมงอาจจะหนึ่งวันในตอนนั้นเนี่ยจิตยังรับรู้ได้จิตยังรับรู้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีคนมาร้องห่มร้องไห้หรือว่ามีลูกหลานมันทะเลาะกันก็อาจจะไปไม่ดีหรือบางทีอาจจะรู้สึกตกใจว่าตัวเองตายแล้วหรือเนี่ยไม่ได้เตรียมใจเลยแล้วลูกหลานนะ่ะลูกพ่อแม่ทรัพย์สมบัติล่ะจิตก็อาจตื่นตระหนกต้องบอกให้เขารู้ว่าเขาตายไปแล้วให้เขาปล่อยวาง นำให้เข้าไปในทางที่ดีอัตมาเคยไปเยี่ยมคนไข้นะไปถึงนั่นเนี่ยเก้าโมงลูกสาวบอกว่าแม่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อแปดโมงแต่ว่าไอ้สายสัญญาณต่าง ๆ, ๆเนี่ยยังไม่ถอดรอให้ตมามาอัตมาก็พูดกับโยมนะทั้งที่หมอบอกตายไปแล้วอัตมาก็ชวนเข้าทำสังฆทานนะแล้วก็ให้พรแล้วตวมาก็รีบไปเพราะว่า มีงานหนึ่งวันรุ่งขึ้นลูกสาวก็บอกว่าไอตอนที่อาต ม, มาคุยกับแม่เขาเนี่ยนะสัญญาณหัวใจมันขึ้นนะแล้วพออาต ม, มาพูดจบมันก็ลงอาจจะเป็นความบังเอิญหรืออเป็นไปได้ว่าเขาจะยังรับรู้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เผื่อใจไว้ว่าเขายังรับรู้ได้ดีกว่าเชื่อว่าเขาไม่รับรู้และทําอะไรไปก็ไม่รู้รอบๆข้างๆร่างกายของเขาทะเลาะ ก, กัน นะพูดจาหยอกล้อพูดจาไม่ไม่เหมาะสมเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้ให้เผื่อใจว่าเขายังรับรู้ได้ดีกว่า อ, อนุโมทนาค่ะทุกทางและทุกการ